อาจารย์ครับารการนัดมัธยการครับผมจารานพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยหกสิบเก้าแล้วครับอาจารย์ครับเมื่อเช้าอาจารย์วิณฑบาตคนใสเยอะไหมครับผมก็พอประมาณประมาณสี่ร้อยสามคนสี่ร้อยสามคนอันนี้เป็นเป็นปกติไปแล้วใช่ไหมอาจารย์สี400่ร้อยกว่าคอ อันที่เจอม400มันวันเสาร์ประมาณ300วกว่าแ<อ>พวกนี้วันพระก็ประมาณ400พรุนี้เป็นวันพระครับผมแล้วตนีนี้ permitir, ธรรมดาธรรมดาเลยเท่าไหร่ครับอาจารย์แบบไม่มีวันพิเศษเนี่ยนะครับ200บกลกลง 10% บางนีก็1อ0กว่า1080 1090บางทีก็200กว่านีน้อยู่ครับผมอนัดวันธรรมดายังเป็น 100-200 คนก็น อ, อนุมัตนาออบุตร พระอาจารย์ครับวันนี้มีแจกหนังสือธรรมะด้วยครับอาจารย์เล่มหกครับวิสัชนาธรรมเล่มหกครับธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทรรมบวงเป็นความสุขอย่างหนึ่งเป็นบุญอย่างครับวันนี้<ม>ก็เลยกลับเรียนขอความเมตตาจากพระอาจารย์อธิบายเรื่องบุญให้พวกเราฟังด้วยครับกลับขอความเมตตาพระอาจารย์ครับบุญในพระพุทธศาสนาก็เป็นการกระทําที่ทําให้เกิดความสุขใหญ่ อิ่มใจในในพระสูตรก็สแสดงไว้สิบประการวุญยกิริยาวัตถุสิบประการซึ่งแบ่งเป็นสามกลุ่มได้แบ่เป็นกลุ่มของทานแบ่เป็นกลุ่มของศีลและก็แบ่งเป็นกลุ่มของภาวนาคือปัญญาสมาธิปัญญาดังกลุ่มแรกก่อนก็คือกลุ่มของทานเนี่ย ก็มีเช่นทำบุญให้ทานทำการให้แปลว่าทานทานแปลว่าการให้ให้แล้วเกิดความสุขใจความสุขใจ น, นี้คือบุญแต่เราบางทีใช้คำสงคำนี้แทนกันเวลาให้พระก็เรียกว่าทำบุญเวลาให้คารวะญาติโยก็เรียกว่าทำทานแต่เป็นการให้เหมือนกันผลคือบุญคือความสุขใจเหมือนกันได้ความสุขใจเหมือนกัน บุญนี่แหละที่จะทําให้ใจเวลาไม่มีร่างกายได้อาศาัยอยู่ที่เราเรียกว่าเป็นสวรรค์จันทรดาวก็เกิดจากการทําบุญทําทานนี่นอกจากในกลุ่มทานนอกจากการทําทานแล้วสามารถอุทิศบุญที่เราทําได้ด้วยเช่นเราทําบุญแล้นเราได้บุญเราแ บ, บ่งบุญที่เราได้ในให้กับผู้ที่เรารับไปได้เช่นบินานดามารดา อันนี้เราเรีว่าเป็นการอุทิศบุญอก็อยู่ในกลุ่มทานเหมือนกันแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คืออนุโมทนาบุญเวลาใครเขาทําบุญเราสนับสนุนเขาส่งเสริมเขาช่วยเหลือเขาให้ได้ทําบุญอันนี้เราก็จะได้บุญเช่นข้างบ้านเขามีจัดงานแล้วเขาไม่มีที่จอดรถพอเรามีที่จอดรถก็เปิด้ที่จอดรถให้เขามาใช้อย่างนี้ก็ได้ เมื่อเราจะไปร่วมเอาข้าวเาของไปร่วมทำบุญ ด, ด้วยก็ได้เรียกว่าอานื้นมโมทนาบุญก็อยู่ในกลุ่มทานแล้วก็การที่เราไปรับใช้ช่วยเหลือผู้อ่นเห็นใครก็ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ไปช่วยเหลือเขาโดยอาจจะไม่ได้ให้ข้าวให้ของแตไ่ไปให้กำลัง ช่วยด้วยการกระทำบางอย่างหรือเป็นจิตอาสาอย่างนี้บางทีบางคนอาจจะไม่มีสตามที่จะทาบุญทาทานก็เอาเวลาเอาร่างกายนี้ไปไปเป็นจิตอาสาเช่นพวกที่ไปอาสาช่วยคนรับเวลาไม่มีอุัติเหตุไปทำช่วยมือที่ช่วยกับรถพยาบาลช่วยรับส่งคนไข้คนเจ็บอะไรนี้ อันนี้ก็เรยว่าเป็นจิตอาส า, ศาก็เป็นอยู่ในกลุ่มทานแลทานอีกกาหนึ่งก็คือการให้ทาหนังสือธรรมะท่านบอกว่าในการทาทานทั้งหมดนี้การให้ธรรมะนี้ไ ด, ได้ได้ประโยชน์ที่สูงสุดเพราะว่าธรรมะเป็นเป็นธรรมที่จะทำให้คนเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ส่วนทานอย่างอื่นนี้ช่วยบรรเทาความทุกข์ทางด้านด้าร่างกายเช่นให้ข้าวเขาให้ปัจใจสีก็ไปช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเหนื่อยนอนทางร่างกายแต่ถ้าให้ธรรมะนี่พอเขาอ่านหนังสือธรรมะแล้วเขาเข้าใจว่าความไม่สบายใจทุกใจของเขาเกิดจากความอยากของเขาพอเขาหยุความอยากได้ความทุกข์ใจของเขาก็หายไปบางคนอาจจะคิดฆ่าตัวตาย พความทุกใจอยากจะเอาชนะคนนั้นคนนี้อยากจะทำแบบประชดอย่างนี้แต่พอราดูว่าทำทำความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากเอาชนะเขาแต่เราชนะเขาไม่ได้เราก็จะคิดข่าตัวตายแล้วก็ถ้าเราเป็ียนแต่เปลี่ยนใจอย่าไปอยากชนะเขาเขาจะชนะสุดท้ายก็เป็นเรื่องธรรมดาในโลกนี้มีได้มีเสียมีขึ้นมีลง มีชนะมีแพ้เป็นธรรมนาคนเราอยอมรับความจริงง่ายเราก็จะหยุดความอยากที่จะทำร้ายตัวเราเองได้หยุดหยุดความอยากที่จะเอาชนะเขาได้หยุดความอยากที่เอาชนะเขาได้ความทุกข์ก็จะหายไปหายไปก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องค่าตัวตายอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มทานธรรมะทำ การให้เหล่านี้จะทำให้เราให้แล้วใจเราจะใจเราจะฟูขึ้นมาใจเราจะพองขึ้นมาใจเราจะ ม, ม, าจามีความสุขมีความอิ่มใจพูงใ จ, ใจที่เราได้ทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้จะเป็นบุคคลก็ได้เป็นองค์กรก็ได้จะทำให้กับองค์กรต่างๆางงเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนวัดวาอาราต่างๆอันนี้ก็ เป็นการทำบุญทำให้ใจเรามีความสุขถ้าเราไม่ได้ทำบุญที่ปกติใจเราจะหิวอยากจะมีความสุขเราก็ไปหาสิ่งที่คิดว่าให้ความสุขกับเราเช่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปเที่ยวไปเทียเท่ยวไปดูไปกินไปเดินซึ่งการกระทำเหล่านี้มันไม่ได้ทําให้ใจอิ่มให้มีความสุขมันมีความสุขชั่วประยุประดามเป็นการเสพยาเสพติ่ด พอผ่านไปแล้วความสมุขที่ได้จากการเสพมันก็หายไปแต่ความหิวความอยากก็ยังโผล่ขึ้นมาอยู่แต่ถ้าเราเอาเองินที่เราจะไปใช้ซื้อของฟุ่มเฟอือยไปเที่ยวไปกินไปเดินนี่เอาไปทําบุญเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจแล้วจะไม่หิวโหยกับการที่จะต้องไปเที่ยวไปกินไปเดินไปซื้อของฟุ่มเฟอือยต่างๆนะอันนี้คือประโยชน์ของการทําบุญในระดับทาน อันนี้สอของบุาระดับทางก็เคยจะส่งให้เวลาใจเราเวลาหน้าตายเราตายไปใจเราก็จะได้อาศัยบุญนี้เป็นเครื่องอยู่เป็นอาหารเป็นปัจจัยที่จะทำให้ใจเรามีความสุข ใ, ใจที่มีบุญนี้ก็เรียกว่าเป็นสวรรค์เวลาตายไปมีความสุขใจอันนี้ก็วิธีสร้างความสุขใจให้ ด้วยการทำบุญทำทานในการให้ในการเสียสละแบ่งปันความสุขของเราให้แก่ผู้อื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วความสุขนั้นก็จะกลับมาหาเรา <c oughs> นอกจากนั้นยังมีทางที่สูงกว่า ม, มีมีบุญที่สูงกว่าที่ให้เราความสุขมากกว่าคือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลการรักษาศีลนี่จะทําให้เราไม่ต้องมาทุก กับวิบากรรมของการกระทำบาปเวลาเราทําบาปแล้วใจเราจะทุกข์ใจเราจะเครียดใจเราจะหวาดวิตกกังวลกลัวว่ า, าจะต้องไปรับใช้กรรมของตนเองหรืออาจจะมีผู้ที่เข้ามารังแคลงตามรังแคลงเราจองเวรจองกรรมเราแต่ถ้าเราไม่ได้ทําบาปนี่ความทุกข์เหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น แล้วเวลาตายไปถ้าทําบาปใจเราก็จะต้องไปใช้กรรมในอาบายแทนที่จะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้จะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังเกิดไม่ได้ถ้ายังมีวิบากถ้ามียังมีวิบากกรรมที่เกิดจากการทําทบาป้อยอยู่ก็ต้องไปเกิดเป็นเรือฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นม น, นุษย์ร่างกายบ้าไปตกนรกบ้างแต่ถ้าเรารักษาศีิได้ชินได้ ใช่เราก็จะไม่ต้องไปเจอกับความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เราก็จะรู้สึกมีความปลอดภัยสบายใจเวลาเราไม่ได้ทําผิดกับเวลาทําผิดนิจใจจะมีความต่างกันนะทําผิดแล้วมันเหมือนกับเป็นวัวสันนิษฐาน ม, มันเหมือนมีแผลในใจไม่มีความสุขมันกับคนที่ไม่มีไม่ได้ทําผิดอันนี้ก็เป็นมูลอย่างยๆมูลที่เกิดจากการรักษาศีล แล้วก็ระดับสุดท้ายก็บุญที่เกิดจากการภาวนาการภาวนานี้มีสองระดับระดับสมาธิและระดับปัญญาการทําใจให้สงบนี่ก็เรยกว่าระดับสมาธิเมื่อนานใจสงบใจก็จะมีความสุขที่สูงสุดมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้ จากลาบยศสรรเสริญจากการเสพรูปเสียงกินรสผลิตภัณฑ์เป็นความสุขที่นั่เหนือกว่าทานความสุขที่ได้จากการทำนำทานความสุขที่ได้จากการรักษาศีลเียนว่าเป็นความสุขที่สูงสุดจากการบำเพ็ญสมาธิแต่ความสุขแบบสมาธินี้ยังเป็นความสุขชั่วคราวเวลออกจากสมาธิแล้ว ความสุขเหล่านี้ก็จะสามารถหายไปได้เหตุที่พาให้ความสุขเห น, นี้หายไปเวลอาจากสมาธิมาก็คือดิเลตตันหาความอยากต่างๆซึ่งเปนเหมือนความร้อนความสงบนี้เหมือนความเยน็นเวลาออกจากสมาธิมาพอมาสัมผั น, นับรู้เรื่องราวต่างๆก็อาจจะเกิดตันหาความอยากขึ้นมาอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี้ขึ้นมา ใจก็จะเริ่มมีอาการโกรธกรวาย ก, กระสับกระส่ายถ้าอยากจะให้ใจสงบต่อไปเโดยที่ไม่ตั้งเท้าสมาธิก็ต้องคอยมีความอยากความอยากที่มาสร้างความไม่สบายใจให้กับใจความอยากนี้มันก็มันก็จะอยากอะไ ร, ะไรมันก็อยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นยอดบ้างได้ความสุขจากลาบยอสนั่นเสริญบ้าง เราใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นะั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวมีเจริยก็มีเสือ่อมมีสกิดก็มีดับเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นภาวะที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งได้ให้เที่ยงให้ให้ความสุขกับเราไปตลอดพอมันเปลี่ยนไปมันทำไม่จะให้ความสุขกับเรา มันจะกลับมาให้ความทุกข์กับเราเวลาได้ยกที่ก็มีความสุขแต่มันเป็นนายุดได้กี่เดืนอนพอพอผ่านไปก็หมดไปพอหมดไปความสุขที่ได้ก็หายไปอันนี้ก็คือว่ามีความความทุกข์จะไม่มากไปนะก็อยู่ที่ว่าเตรียมตัวเตรียมใจไว้น้หน้าไว้ก่อนถ้ารู้ว่าเป็นของชั่วคราวเป็เกิดไม่ดับก็จะไม่ทุกข์มาก แต่เมื่กี้ว่ า, าจะอยู่ไปให้ครบวาระนี่พอไม่ได้อยู่มันก็ทําให้เกิดอาการทุกข์ผิดหวังขึ้นมาได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเพราะมันไม่แน่นอนก็อย่าไปอยากได้อย่าไปอยากเป็นอย่าไปอยากได้นามยศเสริญรเสนอย่าไปได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆใจก็จะไม่ทุกใจก็จะสงบไว้ขณะอยู่ในสมาธิ แต่ยกตัวอย่างมันมีความอยากอีกหลายอย่างที่ยังต้องดับเึ่นความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทําให้เราทุกข์ได้เในทุกครั้งที่เราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายใจเราก็จะไม่สบายขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามันเกิดจากความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายก็เป็นนันทิจังมีเกิดมีดับเป็นธรรมดา มีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาพอเห็นความจริงก็ยอมรับความจริงได้มันจะเสื่อมก็ต้องปล่อยให้มันเสื่อมมันจะแก่ก็ต้องปล่อยให้มันแก่มันจะเจ็บก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปมันจะตายก็ต้องยอมรับมิถ้ายอมรับความจริงของร่างกายได้ใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็สงบมัก็อยู่ในสมาธิแต่ไม่ต้องเข้าสมาธิ คือแต่ละความอยากที่เป็นตัวมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเลยนะอันนี้ก็ระดับปัญญาภาวนาภาวนามีสองระดับระดับสมาธิทําใจให้สงบด้วยสติหยุดความคิดปรุงแต่งพอใจไม่คิดปรุงแต่งความอยากก็หยุดทํางานใจก็สงบนิ่งเป็นเป็นสุขขึ้นมาแต่ก็ออกมาจากสมาธิพอเริ่มคิดปรุงแต่ง ความอยากก็จะตามมาทีถ้าไม่อยากจะให้ความอยากตามมาแล้วตามมาแล้วอยากจะให้มันหยุดไปก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากกับอะไรอย่าไปอยากได้เลยในโลกนี้ทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งั้นทุกเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวทุกเพราะว่าเราไม่สามารถสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปมองเห็นอย่างนี้แล้วใจก็จะไม่อยากได้ในโลกนี้อยู่แบบไม่มีอะไรดีที่สุด เพราะเมื่อไม่มีอะไรมันก็จะไม่มีอะไรที่มาทําให้เราทุกข์ได้แต่พอมีอะไรเดี๋ยวสิ่งที่เรามีนะั่นแหะมันจะทําให้เราทุกข์เวลาที่มันเปลี่ยนไปนและเวลาที่มันหมดไปอันนี้ก็เป็นบูลระดับสูงสุดอันดับมูลที่เกิดจากการภาวนาปฏิบัติแต่การจะภาวนาปฏิบัติหน้าเนี่ยก็ต้องตัดลนะความสุขทางโลกไว้ผมลนะการไปทำนาหารกิน ก็ไปหาลาภเลือดสรรเสริญสุขมาให้เรียมาหล่อเรียจิตใจต้องไปอยู่แบบนั่งหวัวไปออกหวัวแล้วก็ปฏิบัติเพราะมันก็เป็นการปฏิบัติที่ต้องทําอย่างต่อเ น, นี่องเพื่อตื่นจนหักถึงจะได้ผลถ้าทำมันครื่องชั่วมงชั่วโมงนี้มันมันไม่ได้มันเป็นดินเหมือนกับได้ดูหนังตัวอย่างหรือถ้าเป็นสินค้ามันก็เป็นสินค้าตัวอย่าง มีก็ทํามาแจกเป็นแปรงสีฟันนอนยาสีฟันนอนเล็กๆมาแจกให้ทดลองอยูน่นะถ้าอยากจะได้ของของเต็มร้อยก็ต้องปฏิบัติแบบเต็มร้อยเรียกปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนเพราะฉะนั้นอยา่าไปคิดว่าอ๋อภาวนาะีไ่ได้บุญสูงๆแล้วก็พองงานดีกว่าไม่ต้องทําบุญ ท, ทาทางไม้รักษาศีลแต่มันก็จะไม่สามารถทําได้เพราะเราจะไม่มีเวลา เราพร้อมที่จะบวชหรืเอเปล่าถ้าเราพร้อมที่จะบวชไปไปภาวนาได้แต่ถ้าเราคิดว่าเรายังเป็นคาราวาสยังยังไปเที่ยวไปกินไปดื่มได้แล้วก็กลับมาบ้านตอนก่อนเลยแล้นั่งสมาธิอีกแล้วจะได้ได้ความสุขขั้นสูงสุดนี่มันเป็นไปไม่ได้อนะื <c oughs> นี่กรื่องของการดำใจสร้างความสขุขให้กับกับตัวเราเองด้วยการกระทําที่ไม่ต้องอาศัยอะไร ว่าสายการกระทำของเราไม่ต้องมีเงินก็สามารถมีความสุขได้เราผู้ฟังโดยส่วนใหญ่ก็จะได้ทำทานรักษาศีลแล้วก็ได้ภาวนาบ้างเป็นอย่างนี้เป็นนิสัยไปก่อนได้ไหครับอาารยทำได้ค่นี้ก็ยังหายากอ่ะบางคน ไม่ยจะทำบานเป็นนิสัยรักษาศีลเป็นนิสัยอยาจจะทำตามตามโอกาสมันเกิดบ้างวันปีใหม่บ้างวั น, นำสำคัญรักาศาสนาก็ทำบุญทำทานนั้นน่อแต่เร่องรักษาศีลนี้ไม่รู้ว่าทำกันหรือเปล่าเพราะต้องโกหกเป็นประจำอยู่แล้วอันมมนี้ฐานของอนิยมเดือบเชื้อรากันนะครัเพราะปากกันสัมผัสกันก็ต้องเดือเชื้อรา เรื่องการรักษาสีนี่พังทำง่ายแต่จะทําได้หรือไม่ได้แล้วมันก็อีกเนาะแต่สาหรับคนบางคนถ้ ม, นมีความจะมีความตั้งใจมีจัดทางามเชื่อในคําสอนแล้วตั้งจัดจ่อไว้นี่ก็อาจจะทําอาจจะทําได้เช่นจะทําบุญทุกทาบุญทุกวันนี่ทุกอาทิตยนี่ทุกเดือนก็นแล้วทำให้มันกิจา ร, รักษณะทำให้มันเป็นแบบนะ ต, ต่อเนื่องไม่ใช่ทำแบบ อารมณ์บางวันอยากจะทําก็ทําบางวันไม่อยากจะทํำก็ไม่ทําะมันต้องพัฒนาขึ้นไปเหมือนการมาเรียนหนังสือเราก็ต้องมีการไปเรียนทุกวันแล้วก็เป็นการเลื่อนเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นขึ้นไปตามลําดับจนก่อนจะขึ้นถึงท่านสังสุนได้วันนี้ก็้สึกได้บุญมากเลยครับอาจารู้สึกจิตใจมีความสุขมากคับอาจารครับ ขอบคุณพระอาจารย์ครับพอาจารย์ครับพี่เพื่อนๆถามมาแต่เหมือนพระอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วบอกว่าบุญทําไม่ได้แต่เราต้องทําทานศีลสมาธิเจริญปัญญาถึงจะได้บุญเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ครับก็เป็นบุญทั้งหมดนะแต่จะมีต่างระดับกันทําทานก็เป็นบุญระดับหนึ่งรักษาศีลก็เป็นบุญระดับหนึ่งเข้าสมาธิก็เป็นบุญระดับหนึ่งใช้ปัญญาตัดความอยากได้ก็เป็นบุญหนกระดับ มันจะเ บ, บีเทียกัเหมือนกับการเรียนหนังสือเรียนหนังสือไปโรงเรียนแบบรุ่นบ่ายก็เป็นการไปเรียนในระดับหนึ่งประเรียนชั้นปถมก็ไปเรียนอีกระดับหนึ่งไปเรียนชั้นมัธยมก็อีกระดับหนึ่งไปเรียนชั้นปริญญาก็อีกระดับหนึ่งมันก็เป็นการเรียนนะได้ความรู้ทั้งนั้นแต่ความรู้ที่ได้มามันมันต่างกันมีมีอนันที่สองมีประโยชน์ไม่ เ, เท่ากันมูลก็เหมือนกัน คุณก็ขั้นต่ำก็ทานเพราง่ายที่สุดขั้นที่สองก็คือศีล ย, ยากขึ้นมาหน่อยขั้นที่สามยิ่งยากใหญ่สมาธิขั้ทนที่สี่ยิ่งยากเลยคือปัญญาขออนุ ญ, ญาตพระอาจารย์สื่อสารกับเพื่อนๆที่ทิกต ok นะครับเริ่มส่งคําถามเข้ามาได้แล้วนะครับกราบเปนพิธการพระอาจารย์ถ้าเจอคําพูดมากระทบไม่ถูกใจตอนไม่สบายกาย เลยทำให้ไม่สบายใจจะต้องตั้งจิตอย่างไรครับคือมันไม่เกี่ยวกับความสบายกายหรือไม่สบายกายเวลาที่ใครเขาพูดมากระทบมันสามารถทำให้เราทุกข์ได้ถ้าเรามีความอยากเช่นเราอยากให้เขาพูดดีกับเราพอเขาไม่พูดดีกับเราเราก็ทุกข์ได้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าร่างกายสบายหรือไม่สบายมันเกี่ยวกับว่าอยู่ที่ความอยากของเรา ถ้าเราอยากให้เขาชมเราเขาก็ไม่ชมเราเราก็ทุกข์ถ้าเราอยากให้เขาไม่ตำหนิเราเขาก็ตำหนิล้วเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปหวังอะไรจากเขาอย่าก็อยากให้เขาพูดอย่างนั้นหรือพูดอย่างนี้หวังให้เขาพูดไปตามอัธยาศัยเราต้องหัดทาใจให้เป็นสันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดเพราะเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับคนอื่นได้ให้เขาพูดหรือพูดอย่างนั้นหรือพูดอย่างนี้ได้ เราต้องมองว่าคนทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติที่มีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาเกิดขึ้นมาคนที่พูดดีเขาก็มีเหตุมีปัจจัยทาให้เขาพูดดีคนที่พูดไม่ดีเขาก็มีเหตุมีปัจจัยมาทำให้เขาพูดไม่ดีเราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาให้พูดดีกับเราได้ตลอดเวลาหรือไม่พูดไม่ดีกับเรา น้เราต้องพร้อมที่จะรับทั้งสงรรเสริญทั้งนินทาและเราก็จะไม่ทุกขบคุณอรพินครับการทำบุญที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการทำสมาธิภาวนาให้เกิดปัญญาแต่ยังไม่สามารถทำได้นอกจากพยายามทำดีสำนัก จ, จิตใจกำจัดกิเลสไม่ให้จิตใจมัมหมองแต่ความโกรธนี้กำจัดยากมากอยากกราบพระอาจารย์ช่วยสอนแนะนำครับ ก็ถ้าของยากเนี่ยทำเป็นยาเราทําของง่ายไปก่อนเนี่เช่นทําทานในกุ่มทานก็มีหลายหลายอย่างเหมือนกันไม่ใช่แต่เพียงแต่เราต้องมีเงินมีทองนการทาบุญได้เราก็สามารถที่จะทําบุญได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองเช่นไปช่วยเหลือผู้เช่นเาถ้าเรามีความรู้นําไปสอนคนเขาโดยไม่ใช้เงินทองอันนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือ น, นกัน เมื่อไปเป็นจิตอาสาไปช่วยสังคมไปทำงานโดยไม่คิดข้าวแรงพ้าหลอดแทนในสิ่งที่มันทำได้เรากลับไม่ทำกันเราอยากจะไปทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้กันเพราะอาจจะคิดว่าบัญห <Yeah. S 1> ่นมันต่ำต้อยมันไม่มันไม่ได้เป็นกอะเป็นกรรมเหมือนกับบุญที่ได้จากการนั่งสมาธิเรียนเจริญปัญญา แต่ผลที่มันได้มันไม่ใช่เป็นของได้การนั่นสมาธิขนาดผ้ า, างงมังโมงมาบวชเป็นสิบสิบปียังเข้าสมาธิไม่ได้เะนี่นมันไม่ใช่เป็นของได้ทําของที่เราทําได้ไปก่อนดีกว่าอย่างไรจะได้มีบุญมีความสุขใจที่เกิดจากการทําบุญตามกําลังของเราแล่ก็ไม่ห้ามนะยจะทําสมาธิก็ได้ทําบัญญัติก็ได้ แต่ก็ต้องรู้ว่าให้มันได้ผลหรือเปล่าการเล่นหวยผิดสีห้าไหมครับแค่จะว่าเป็นอาบา ย, ยามุกกระไดมันไม่เป็นมันไม่บาปนะครับแต่ว่ามันเป็นการถ้าถือว่าเป็นอาชีพก็เป็นอาบายอย่างเพราะว่าโอกาสที่มันจะขาดทุนก็มีอาจจะหมนเนื้อหมดตัวเพาการแทงหวยก็มีถ้าแทงว่ามันติดเราอยากจะ พอเสียก็อยากจะได้คืนก็เพิม่มเพิ่มปริมาณการแทงมากขึ้นไปเรื่อยๆงั้นอย่าไปหาทัตนากินด้วยการเล่นหวยเลยแต่ถ้าเล่นแบบสนุกๆซื้อใบสองใบแทงตัวสองตัวนี่นก็ไม่ได้ถือว่าเป็ น, อปนพอถูกแล้ว ม, มันมันมีความสุขใจครับอาจารย์มันเราชอบเสียงไทยยัี่ยไปงานนาทเขากยังมีให้เราไปไป ไ อ, อยเลยสอยดาวเลยมันมีลุ้นป่มครับอาจารย์ <c oughs> คุณพีโกครับไม่ยึดมั่นวิญญาณขันต้องปฏิบัติอย่างไรครับวิญญาณขันนี้วิญญาณขันคืออะไรก็คือการไปรับรูปเสียงเกิดนัดมานี่คือหน้าที่ของวิญญาณขัน รูปที่เราสัมผัสกับตาเนี่ยมันจะถูกวิญญาณ น, นับไปส่งไปให้ใจทีมันไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องไปยึดวิญญาณขันและไม่ยึดวิญญาณขันเพราะว่ามันไม่มีปัญหาตัวปัญหาก็คือตัวเวทนาขันมากกว่าเวลาเวลาไปเห็นรูปแล้วเกิดกัดสุกเวทนาขึ้นมาเนี่ยต้องระวังนะพอเกิดสุกแล้วก็เกิดตัณหาความอยากนะเห็นคนให้รูปหลอ่อคนที่สวยอยากจะได้มาเป็นแฟน พอเกิดความอยากเราไปพยายามไปจีบเขาไปอะไรเขาถ้าเกิดไม่ได้ก็เสียใจทุกข์ใจกันมาถ้าได้มาก็ต้องมาห่วงมาห่วบเขาอีกเป็การไปหาความทุกข์เพราะฉะ น, นั้ให้ให้ละเวทนาขันดีกว่าอย่าไปยินดีกับเวทนาที่มีสามแบบมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์ให้รู้ว่าเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เราไม่สามารถที่จะไปสั่งาาให้เขามีแต่สุขเวทนาได้เพียงเดียวแต่เวทนานขัานเขาไม่เขาไ ม, เาไม่เขาไม่มีโทษไม่มีภยยัยตรงไหนตัที่มีโทษก็คือตั ว, ต, วตัวเวทนาเนี่ยที่เราทุกข์กันทุกวันนี้ก็ทุกข์กับความเวทนาสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างเวลาร่างกายเจ็บขึ้นมาเจ็บไายได้ป่วยก็เป็นทุกข์เวทนาเราก็ทุกข์กันนะเวลาเรา สูญเสียสุขเวทนาไปแล้วก็ทุกข์อะเช่นแฟนแฟนจากเราไปอย่างนี้เราก็ทุกข์อะเพราะเราไปติดสุขเวทนาเราไม่ต้องการทุกขเวทนางั้นอย่าไปยึดไปติดกับเวทนาต้องยอมรับว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้สุขเวทนาวันดีคืนดีก็หายไปได้ทุกเวทนาวันดีคืนนี้ก็โผล่ขึ้นมาได้เราน่าทําใจให้เป็นกลางให้เฉยๆครับ เวทนาแล้วชีวิตเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายที่ทุกข์วุ่นวายกันทุกวันนี่ก็เพราะตัวเวทนานี่ที่เราไปติดเวทนากันติดสุขเวทนาลังเกียจทุกขเวทนาใจก็เลยวิ่งไปวิ่งมากิ้งไปกิ้งมาวิ่งไปเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นวิ่งตะคุบหาความสุขเท่าไหร่ได้มันก็เหมือนตะคุบเงาได้มาแป๊บแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเดี๋ยวน่าได้มาเป็นนายกกี่วันเดี๋ยวมันก็หมดไป ไม่เชื่อลองดูเไยมันมันต้องหมดนะไม่ชาร์จก็เร็วถ้าเราใส่บาทเช้าแต่ไม่ได้กรวดน้ําอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรจะได้รับไหมครับไม่ได้เราต้องอุทิศเราต้องเหมือนกับเราเซ็นแจ็คถ้าเราไม่ไม่เซ็นแจ็คไม่เซ็นชื่อไม่เขียนชื่อคนรับเขาก็ไม่ไม่ได้รับเรามีบุญแล้ว ล้วก็อยากจะแบ่งให้ใครที่ร่วงลัาไปแล้วเราก็สามารถแบ่งได้คุณวิไลครับมาถือศีลแปดสิบวันสวดมนต์วันละสี่ครั้งประมาณวันที่ห้าเริ่มปิดตาเห็นเป็นบทสวดหมายถึงอะไรครับมันจำได้มนะันกมันก็เห็นเลยถ้าสวดบ่อยๆพอมนจำได้มันก็เห็นขึ้นมาในใจมันเป็นความจำนะ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องปฏิบัติเท่าไหร่ถึงจะได้ดวงตาเห็นธรรมครับก็จช่นก่นที่เราจะดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของเราได้เช่นอย่างไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไม่ตายไปถาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายพอไม่ถ้าเราทุกข์ก็สแสดงว่าเรายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมถ้าเราหายทุกข์คือเห็นว่าความเจ็บเป็นธรรมดา ความตายเป็นเรื่องธรรมดาต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนตอนนี้มันจะเกิดแล้วก็ให้มันเกิดไปยอมรับความจริงนี้ไปใจก็จหายทุกข์อันนี้แสดงว่าไมีดวตายเห็นธรรมเห็นว่าร่างกายเกิดแล้วต้องเจ็บเห็นว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องตายเป็นต้นอันนี้ต้องเห็นแบบนีน้เห็นจนกระทั่งความทุกข์ที่เคยเกิดจากความหลงนี้หายไปความหลงก็ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้วก็จะอยู่กับเราไปตลอดอันนี้หนึ่งคำหลง ว่พิจารณาด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดมันจะต้องมีวันตายจากเราไปเาพอเราเห็นว่าเราอยอมรับความจริงได้ความทุกข์ใจที่เกิดจากการการจะต้องตายก็หายไปอันนี้คือบอกมีลงตายเห็นธรรมเห็นอนิจจังเห็นน่างกายว่าเป็นอนิจจังเห็นน่างกายว่าเป็นอนัตตาเห็นน่างกายว่าเป็นทุกขงังเพราะเราไปยืดไปติด ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดมันก็จะทําไม่ทําให้เราทุกข์คุณพ่อผิดศีลกาเมกับเมียชาวบ้านทําให้เราขาดศรัท ธ, ธากับพ่อเราบาปไหมครับคือเรื่องการมีศรัท ธ, ธาไม่มีศรัท ธ, ธานี่มันไม่ไม่ได้ทําให้เราบาปไม่ไม่บาปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไม่ไปทําร้ายพ่อเนี่ยมันก็ยังไม่บาปคุณดำครับ การใส่บาตรพระสงฆ์ถือว่าเป็นการทําทานเพื่อได้บุญตามมาใช่ไหมครับใช่ไม่ว่าจะให้ใครก็ได้ให้สุนัขก็ได้ก็เป็นการทําทานก็ได้บุญตามมาเหมือนกันได้ความสุดใจเหมือนกันอยากทราบความหมายของคําว่าสติสัมโพชงครับคือโพชงนี่มันเป็นคุณธรรม เประการที่จะทําให้ผู้มีนี้ได้ได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ซึ่งความจริงก็เป็นองค์มรรคที่พระเจ้าทรงแสดงในรูปแบบหนึง่งแทนที่จะเป็นมรรคแก็เป็นพทธชงเจ็ดนะสติก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในองค์ประกอบของผู้ชงเจ็ดซึ่งในมรรคแก็มีสัมมาสติพุทชมก็สติอันนี้ก็เป็นนิสเป็นสัมมาสตินั่นก็คือการมโนเลิกชอบ การเกยังไงก็เตี่ยววันเลิอ ก, อเเลกชอบก็ เ, เลิอกอยู่กับก้าอารมณ์กรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่้าเราเลิอกอยู่กับลมหายใจเข้าออกเวลา น, น, นั่งสมาธิถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ไปคิดนล่นนั่งนี่เหนียวจิตก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาเพราะฉะนั้นโพชฌงค์นี่ก็เป็นมรรคแทนที่จะเป็นมรรคเราเรียกโพกชฌงค์เพราะมีจิตโพชฌงค์จิต ถ้าเรงดูมันก็จะมีประกอบ ด, ด้วยองค์ของมางตันนี่ยธรรมะวิเชยโยคืออะไรก็คือการวิจัยธรรมะก็คือการพิจารณาให้ด้วยสัมมาสังกปรพิจารณาตายรับพิจารณาอันนี้ก็เป็นสัมมาสังกปรเหมือนกันคุณวราพรครับสวดมนต์ได้บุญแบบไหนครับ ก็ได้แบบสมาธิแต่มันยังไม่ได้ไม่ได้มากเท่าแบบนั่งสมาธิเพราะมันจะไม่ได้สนงบมากก่อนนอนถ้าไม่ได้สวดมนต์จะแผ่เมตตาได้ไหมครับไม่เกี่ยวกันการสวดมนต์เกี่ยวกับการแผ่เมตตาเนี่ยมันคนละเรื่องการแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ตอนก่อนจะนอนเข้าใจผิดการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราพกปากกัน ที่เราพบใครเราอย่าหน้าบึ้งใส่เขาเรายิ้มให้เขาทักทายเขาอันนี้เมตตาแสดงความเป็นมิตรคำว่าเมตตาก็คือความเป็นมิตรมีไวตีจิตต่อกันหรือถ้ามีการกระทบกระทั่งกันทําให้เกิดความโกรธขึ้นมาก็ให้อภัยเขาอันนี้คือการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดการส่วน น, นีเน่เป็นการศึกษาและเป็นการทบทวน ว่าวิธีแผ่เมตตาต้องทําอย่างไรบ้างมีเป็นนักศึกษาแพทย์ครับอาจารย์ช่วงนี้เหนื่อยกายมากเลยจนมันไปบั่นทอนใจาทางใจจนตอนนี้ล้ามากทั้งกายและใจพอจะมีวิธีที่จะลดภาระทางจิตใจได้อย่างไรบ้างครับก็ทําใจให้สงบเลยฝึกสมาธิดูลมหายใจแล้วหยุดความคิดเมื่อเหนื่อยกายเหนื่อยใจไม่อยากจะทําอะไรก็ดูลมหายใจไป ลมหายใจปลาจมอกหรือว่าลมหายใจเขา้าหรือว่าลมหายใจเอาอย่าไปคิดอย่าไปอย่าไปบังคับลงปล่ายให้ลมเขาหายใจโดยจะเป็นธรรมชาติของเขาเขาจะหายใจสั้นหรื อ, อยาวก็ก็รับรู้ไปเขาจะหายใจยาวหรืละเอียดก็ให้รู้ไปเห็นทางสายลมเปนที่เกาะผูกใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่าง ๆ, ๆที่ทาให้เราเนื่อยอกเหน่อยใจนั่นเองที่เราเหนื่อยอกเหนใจเพราะเราไปคิดคิดมาก คิดถึงเรื่องที่เราไม่สามารถทําได้ด้วยการ ก, กำลังของเรามันก็เลยทำให้เราสึกเหนื่อยพอใหงานเยอะแยะที่เราต้องทํามันก็เกิดความเหนื่อยขึ้นมาแล้วอย่าไปคิดหยุดความคิดพอใจว่างใจเย็ยนแล้วใจสงบแล้วความเหนื่อยอกเหนื่อยใจก็จะหายไปแล้วก็ได้พักผ่อนนั่งกายไปในตัวนั่งเฉยเฉนั่งดูละไว้ใจก็พอกพอร่างกายได้พักผ่อนก็จะมีกําลังกลับคืนมาใหม่ ไม่สามารถทําให้สามีเลิกเหล้าได้แต่ต้องอยู่ด้วยกันจะ ต, ต้องปล่อยวางไม่ให้ห่วงอย่างไรครับก็อมองก็ว่าเรา เ, เหมือนยินฝ้าอากาศเนี่ยเราไปสั่งก็ไม่ได้เราไปสั่งให้ฝนตกไม่ได้สั่งให้สั่งให้ฝนหยุดไม่ได้แทนนั้นเราก็ไปสั่งให้เขาหยุดดื่มไม่ได้เขาจะดื่มก็ต้องปล่อยให้เขาดื่มไปผลของการดื่มก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวเราทั้นหนอรอกเป็นเดือดร้อนแทนเขาทำม คนที่เดือดร้นก็คือตัวเขาโรคตับก็จะเกิดที่เขานโรคไตก็จะเกิดที่เขาโรกพิษุราหรืออะไรก็จะเกิดที่ตัวเขาไม่ได้มาเกิดกับเราสัหน่อยเราไปเดือนรอนทํำไมชีวิตไม่เจริญมีแต่ความทุกข์อยากได้อะไรไม่สมอยากทําไมจึงเป็นแบบนี้ครับเพราะสิ่งที่เราอยากมันเป็นของที่ไม่แน่นอนเนี่ยอันนี้จังไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ เวลาได้ก็ดีใจสุขใจเวลาไม่ได้ก็เสียใจคุณบีครับสวดมนต์นั่งสมาธิไม่สงบเลยฟุ้งมากจะแก้ไขยังไงครับเพราอไม่มีสติคอยควบคุมใจนั่นเองให้เวลาต้องฝึกสติให้มากาก่อนมานั่งสวดมนต์ต้องฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยด้วยการใช้พุโทโธพุโทโธ เราเลกถึงพุโทโธพุธโทโธ ไ, ไปในใจอยู่เรื่อยๆให้มีพุโทโธตอนนี้จิตใจไปทั้งวันพอเรามาสวดมนต์ใจเราก็จะไม่หน่อยใจเราก็จะอยู่กับบทสวดมนต์ไม่ฟุง้งชอบคิดแต่เรื่องร้ายๆในอดีตที่เราเคยทําผิดและถูกรังแกบ่อยมากรู้สึกตัวเองตกต่ำแก้ไขยอย่างไรครับก็หยุดคิดเนี่ยด้วยการใช้พุโทโธแทน พอจะคิดไม่ดีก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปทํามันจังหว่าความคิดไม่ดีนั้นหยุดไปแล้วก็อยุดพุทโธถ้ามันเริ่คิดใหม่เราก็พุทโธใหม่เหมือนเบรกรถยนต์เนี่ยเวลานอตยนวิ่งเราถ้าต้องการให้มันหยุดนิ่งเราก็เหยียบเบรกไปพอเมืนั้นพอเราถอนเบรกมาพอมันเริ่มวิ่งไปอีกเราก็เหยียบเบรกใหม่ความคิดของเราก็เหมอือนรถยนตที่วิ่งเนี่ยสติก็คือเหมือนเบรกของรถยนต์พุทโธนี่เป็นเหมือนเบรก ใจะคิดไม่ดีเราก็หยุดมันด้วยการท่อพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปมันก็จะหยุดคิดหยุดคิดแล้วก็หยุดพุดโทโธได้ถ้ามันยังไม่หยุดคิดเราก็ต้องพุโทโธไปเรื่อยๆคุณสัมพันธ์ครับเรียสอบถามเนื่องจากว่ามีพระท่านแนะนําให้ฟังธรรมจากคารวาสซึ่งคนนี้เขาบอกว่าเขาบรรลุธรรมแล้วและสอนธรรมะแบบถึงแก่นโดยไม่ต้องนั่งสมาธิเพราะพระที่สอนให้นั่งสมาธิคือหลง กระผมจึงไม่อยากฟังการเปรียนถามว่าจะปฏิเสธการฟังธรรมแบบนี้อย่างไรครับเกรงใจหลวงพ่อที่ส่งมาครับก็อยู่ที่เราว่าเราจะเลือกอะไรดีเลือกความเลือกความถูกต้องเลือกความเกรงใจหลวงตาท่านบอกว่าท่านไม่เกรงใจคนท่านเกรงธรรมธรรมก็คือความถูกต้องธรรมะอมุขเจ้าท่านสอนให้เรานั่งสมาธิหรือไมื่อมีสมาธิในมากแปดหรือเปล่า ใชเพราะฉะนั้นถ้าเขาสอนในทางที่ไม่ตรงกับธรรมเราก็ไม่ต้องไปเกณฑใจเขาไม่ต้องไปทําตามเขาถ้าทําตามเขาทําก็แลกทั้งหมดถ้าเกณฑใจคนทําก็แลกถ้าไม่อยากให้ทําและก็ไม่ต้องไปเกณฑใจคนต้องรักษาเกณฑ์ธรรมไว้ให้เราเกณฑ์ธรรมนำเกณฑ์นให้ขับสอนองค์พระเจ้ากรวดน้ําแห้งเจ้ากรรมในเวรได้รับหรือไม่ครับ ถ้าเราทำบุนะเรากรวดโดยที่ไม่ต้องใช้น้ําก็ได้น้ําไม่มีส่วนในการบที่บุญแต่อย่างใดเพ ป, ป็นเพียงแต่ตัวสาธิตตัวอย่างให้เราซคิดว่าเป็นตัวตัวแทนของบุญน้นํา เ, เหมือนตัวแทนของบุญเวลา เ, าเทน้ําออกจากภาชนะหนึ่งก็เหมือนเราส่งบุญจากใจของเราไปสู่ใจอีกอีกอกดวงหนึ่งที่เป็นดวงวิญญาณด้วยการเทน้ําใส่อีกภาชนะหนึ่งพอันนั้นเ่งเป็น เครื่องสาธิตศน้าวนี้เป็นเครื่องสาธิตตัวอย่างบุญคุณเข็มจีลาครับเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าจิตใจเราผ่องใสครับเออมันของมันก็ชัดอยู่แล้วมันต้ผ่องใสก็ไมเศ้าหมองมันเหมือนกันหรือเปล่าถ้าไม่ถ้าไม่ผ่องใสไม่สังเกตงไงมันก็ไม่เห็นมันต้องผ่องใสมันถึงจะเห็นงั้นถ้ามันมาไม่ถ้ายังไม่ผ่องใสมันก็ไม่เห็นไม่ต้องสังเกตของนี้ มันชัดเจนเวลาเศร้าหมองมันก็เศร้าหมองเวลามองสายมันก็ผ่อง ส, องสายเบิกบานเนี่ยไม่ต้องสังเกตมันมันมันรู้อยู่มันเห็นอยู่เวลามันเกิดขึ้นมามีผู้ถามว่าสรุปว่าทุกทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเวทนาถูกไหมครับอาจารย์ไม่ใช่ทุกทั้งหลายเกิดจากความอยากเวทนานี่เป็นเพลงแต่อ ตัวที่เป็นเป็นตัวที่เกิดขึ้นตามจากการที่ไปไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆในโลวนี้เช่นรูปเสียงกินน้นที่สามารถทําให้เกิดทุกขเวทนาก็ได้สุขเวทนาก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นตัวที่ทําให้ทุกมีทุกอีกตัวนึ่งคือทุกทางใจที่เราพูดถึงนี่คือทุกทางใจทุกทางใจนี้เกิดจากความอยากที่เราสามารถดับได้ ทุกทางเวทนานี้เราดับไม่ได้เช่นร่างกายของเรานี่ทุกวันหนึ่งมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ต้องเจ็บขึ้นมาทุกเวทนาแต่ร่างกายนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นเป็ น, ปนกฎของตายรับมันเป็นส่วนหนึ่งที่มีปรากฏขึ้นในในจิตใจของสามโลกทุกจิตใจใเวลาไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆมันก็จะทำให้ เกิดสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างขึ้นมาในใจแต่ววทนาเหล่า น, นี้มันไม่เป็นตัวปัญหาคนที่เป็นปัญหาที่ทำให้ใจทรมานก็คือความอยากที่ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากคุณมาริสาครับคิดดีพูดดีทำดีและวางใจให้สงบทําสมาธิก็เป็นบุญแล้วแต่คนส่วนมากชอบวิ่งไปหาบุญจากข้างนอกเป็นเพราะความโลภ อยากได้บุญใช่ไหมคราาับอาจารย์เขาไม่รู้มั้งถ้าเขาดูเขาข อ, อ, องมอันเขาวิ่งไปหาทั้งท้อกหรือเขายังไม่สามารถทำใจให้สงบได้ที่พูดในมันพูดง่ายเนี่ยวางใจให้สงบทำสมาธิพูดมันง่ายแต่มันทำได้หรือเปล่ามันอเองไม่รู้ <c oughs> คนทั่วไปสามารถที่จะสวดบทธรรมจักได้ไหมครับได้ไม่มีข้อห้ามตรงไหนเลย อย่างจะสวดบนไหนก็สวดได้ <c oughs> คุณอัจชลาครับการทําบุญกับพระที่ศีลไม่ครบจะได้บุญเต็มร้อยหรือไม่ลูกสะดวกที่จะต้องทำเพราะเป็นวัดใกล้บ้านครับเออได้บุญเต็มวัดไม่ไเกี่ยวกับครู่รัก ว, ว่าเขาเป็นคู่มีศีลไม่มีศีลทํากับสารเดรัฉานก็ได้บุญเต็มร้อยเหมือนกันบุญนี้เกิดจากการเสียสละแบ่งบ้างให้ประโยชน์สุขแก่พกู้ ไม่ได้เกี่ยวกับผู้รับว่าต้องเป็นผู้มีศีลบรรสุนหรือไม่แต่อย่างใดเมื่อจิดตดับแล้วจะไปเกิดทันทีเช่นนี้แล้วการแผ่ส่วนกุศลให้ผู้ร่วงรับเขาจะได้รับหรือครับคือจิตไม่ดับต้อเข้าใจก่อนจิตไม่มีวันตายจิตเพียงแต่แยกออกจากร่างกายแล้วก็ไปอยู่ตามสภาพของบุญของบาปที่ตนเองได้ทำไว แ้วถ้าไปอยู่ในสภาพที่ไม่ขาดบุญที่เราเรียกว่าเป็นขอทานทางจิตวิญญาณพวกที่เป็นเปร่เนี่ยเขาก็จะมารอรับส่วนบุญของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เวลาเขาทําบุญแล้วก็จะบุญบุญไปให้ก่ากับพวกนี้ไปถือศีลแปดที่บ้านได้ไหมครับได้ศีลแปดไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่กายว่าใจของเรา แต่ถามว่าอันไหนง่ายกว่ากัน ấy, นี้ก็มีความแตกต่างกันถือศีลในที่ที่คนอื่นก็ไม่ถือศีลด้วยมันก็จะยากาไปถือศีลในที่ที่คนที่อยู่นักันถือศีลเหมือนกันเช่นถ้าเราไปถือศีลที่วัดก็จะไม่มีใครกินข้าวเย็นเราก็จะรู้สึกรักษาศีลค่อ น, นี้ได้ง่ายกว่าอยู่ที่บ้านถ้าเรารักษาศีลคนเดียวรักษาศีลแปดคนเดียวแล้วคนที่บ้านเ็กินข้าวเย็นกัน เ้องกินข้าเย็นกาเห็นเราเราก็จะชวนเราแล้วเราจะทนคําชวนของเขาได้หรือเปล่าเราก็จะรู้สึกว่ายากที่จะรักษาสินขอน้อนี้มันอยู่ที่มันอยู่ที่ตัวเราว่าเรารักษาได้หรือไมย่ยาก ง, ง่ายอยู่ที่สถานที่คุณกิตศนพลครับฝันร้ายน่ากลัวมากจนทําลายความมั่นใจในการใช้ชีวิตควรวางจิตอย่างไรครับ อยอมรับว่านี่เป็นวิบากกรรมของเราแล้วก็ทำบาปมาอันนี้เป็นหนังตัวอย่างซึ่งเวลาตายไปเราก็จะฝันล้ายแบบนี้ไปเป็นเวลายาวนานเลยงั้นเรายัางมีเวลาที่เราจะแก้ปัญหานี้ได้อยู่โดยการทําบุญให้มากๆเข้าเพื่อขอให้บุญที่เราทําที่มีพลังมากกว่าก็าจะมาสกัดการแสดงผลของบาปไว้หน้าช่วงข้าวก่อนแล้วก็จะเอา ผลบุญที่เราทำมาปรากฏในฝันของเราเป็นการฝันดีไปแต่เราไม่สามารถลบล้างบาปที่เราทําได้เแต่ว่าเราอาจจะชะลอชะลอการปรากฏของมันได้อยู่ด้วยการเอาสร้างบุญมามาบังไว้ก่อนให้บุญมีมากกว่าให้บุญสแสดงผลก่อนอย่าง ต, ตามในเมื่อใดที่บุญน้อยกว่าบาปตามนั้นบาปก็จะเริ่มแสดงผลทันที คิดถึงพ่อที่ไรมีแต่เรื่องราวไม่ดีเราจะวางใจอย่างไรดีครับโอเคแต่ส่วนที่ดีของเขาเสร็จผลดีของเขาเขมีทั้งยเยอะแยะเขาให้คำเนิดตอนนี้ก็ดีแสนดีแล้วไม่มีเขาเราจะมาเกิดมาได้เลยะเราก็ต้องมาเี้งดูเราไม่ใช่เก็ก่อยมันแล้วเราจะโตขึ้นมาเองไดไ้ขายเลี้ยงดูเราคิดในส่วนที่ดีก็มีไม่คิดเองชอบไปคิดในส่วนที่ไม่ดี ปุณนานาครับสำหรับมือใหม่การจะเริ่มเข้ากรรมฐานต้องคิดภาพเองใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่เรียกว่านิมิตเวลาเริ่มนึกถึงผมขนเล็บฟันหนังไปทีละจุดทีละจุดแล้วนึกเป็นภาพตามสัญญาที่เรามีแบบนี้ไล่ไปจ้องมันไปแล้วคิดถึงตอนที่มันเปลี่ยนแปลงหรือไล่ภาพต่อไปเช่นพิณาธาตุดิน20ต่อเนื่องกันไปมันต้องคิดต้องนึกภาพแบบนี้ไม่เรียกว่านิมิตใช่ไหมครับแล้วคิดภาพย้อนไปมา20่สิธาตุดินแล้ว มันจะเกิดความสงบในขณะที่เราคิดทำแบบนี้ใช่หรือเปล่าครับก็การใช้ภาพแบบนี้มันก็เป็นกรรมฐานแบบหนึ่งที่จะทำให้จเราสงบเป็นสมาธิแล้วก็จะทำให้เราได้ปัญญาที่เห็นความเป็นจริงของร่างกายว่ามันไม่ใช่เป็นของที่น่าดูน่าชมไม่ควรที่จะมีการมารมณ์กับร่างกายเลยถ้าเราเห็นภาพอาการ32ของร่างกาย มันก็ต้องใช้เป็นความคิดขึ้นมา ก, ก่อนเราเริ่มคิดก่อนคิดถึงผมคิดถึงขนแล้วก็นึกภาพของผมว่าอยู่ตรงไหนขนอยู่ตรงไหนมีลักษณะอย่างไรเป็นต้นอันนี้ก็ต้องใช้ความคิดแต่เราต้องการคิดไปไม่ได้ยงกงไงั่งมันมันชับนดาดสามารถมองเห็นรน่างกายพบมันจะโผูกขึ้มาทั้งอาการทางดีสองเลยเหมือนเหมือนใช้แสง Excel การที่เราเห็นผู้ชายคนอื่นดีกว่าสามีตนเองแล้วคิดว่าอยากให้คนคนนั้นมาเป็นสามีตนแต่เป็นแค่ความคิดอย่างนี้ถือว่าผิดหรือยังครับก็เป็นอกุศลเนความคิดที่อาจจะพาให้เราไปสู่การกระทำบาปต่อไปได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็อย่ดคิดแบบนี้ดีกว่าดูแลพ่อแม่ยามป่วยไข้ชราอย่างไรให้เกิดบุญกุศล ส, สูงสุดครับ ก็เหมือนกับตอนที่ท่านยัี้ยงดูเราตอนที่เราเป็นเด็กท่านเลี้ยงดูเราอย่างไรเราก็เลี้ยงดูท่านอย่างนั้นให้นานกายท่านอยู่อย่างสุขสบายด้วยปัจจัยสี่ขานอาหารก็หาอาหารให้ท่านรับประทานขาดที่อยู่อาศัยก็หาที่อยู่อาศัยท่านอยู่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลหายาหาอยู่หายามาให้ท่านไม่มีเสื้อผ้าอาหาเสื้อผามาให้ท่านใส่ก็เนื้ ก็แบบนี้เราตอบแทนด้วยการเลี้ยู่่ากกานท่านด้วยปัจจัยสีให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่ค่อยได้ใส่บาทแต่โอนเงินร่วมทำบุญโรงทานทุกวันได้บุญเหมือนกับใส่บาทไหมครับได้เหมือนกันคุณมาริสาครับเป็นคนเห็นผีและมีสัมผัสกับสิ่งพวกนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว พยายามคิดว่าคนน่ากลัวมากกว่าผีแต่บางครั้งก็ไม่ชอบเห็นเลยควรจะวางใจอย่างไรครับไม่ชอบ เ, เห็นก็ทำใจให้สงกเสพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปตามภาพที่เห็นให้กลับมาอยู่ที่พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเป็นพะุทโธตํรมโสงโกก็ได้พระเจ้าบอกเวลาที่เราเกิดความกลัวขึ้นมาให้น้อถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฝังด้วยให้น้อมถึงพระพุทธพระพุทธเจ้าก่อนถ้นยังไม่หายกลัวก็น้อมถึงพระธรรม ยัไม่หายกลัวหาย้ถึงผระสงคแล้วไปอย่าหนี้มัได้เรื่อยจนกว่าความกลัวจะหายไปภาพที่มันทาให้เรากลัวหายไปใจเราสงบตอนดาเนินสมาธิจิตเลยจากความสงบไปแล้วต้องดําเนินจิตอย่างไรให้เกิดปัญญาครับไม่ทราบเลยความสงบเป็นยังไงวะเราไม่รู้เลยความสงบ หมายถึงมันไม่ได้อยู่ในสมาธิแล้วมันออกจากความสง บ, บมามันไม่เลยเหรอกสุดท้ายของสมาธิก็คือความสง บ, บมันเลยไปไม่ได้หรอกถ้ามันออกจากสมาธิมันก็เริ่มคิดปรุงแต่งอพอเริ่มคิดปรุงแต่งตอนนั้นก็สามารถคิดทางปัญญาได้คิดพิจารณาอาการ32ของร่างกายก็ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็ได้สามารถคิดได้ในขณะที่ใจไม่อยู่ในสมาธิ ในขณะที่ใจอยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบ น, นี้คิดไม่ได้พิจารณาปัญญาไม่ได้วิธีการปฏิบัติอื่นๆที่ถือว่าปฏิบัติธรรมนอกจากนั่งสมาธิเดินจงกรมยังมีอีกไหมครับก็มีแค่นี้แหละสมาธินั่งพิจารณาทางปัญญาพิจารณาตายราบพิจารณาอริยาสัจสี่พิจารณาอสุภะพนนิจารณานิจจเกิดแก่เจ็บตายอะไรเหล่านี้ก็คือปัญญา คุณวิไลครับคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษคืออะไรครับก็คือพระอาริยบุคคลนี้มีอยู่สี่สี่ระดับด้วยกันเห็นแต่ว่าท่านแบ่งเป็นสองเป็นดังเป็นคู่คู่ก็เลยเป็นแปดคู่ขึนะ้นมาทําไม่ถึงเป็นคู่ท่านแบ่งว่าก่อนจะเป็นพระอาริยเป็นอย่างไรคือต้อง ต้องเจริญเหตุที่จะทําให้เป็นพระอริยะขึ้นมาที่เราเรียกว่ามัดมัดกับผลการจะเป็นพระโสดาบันไดเราต้องเจริญมัดของพระโสดาบันก่อนเหมือนกับการที่เราจะขึ้นไปชั้นบนได้ชั้นชั้นที่สองเนี่ยเราต้องเดินขึ้นบันไดไปก่อนถ้าไม่มีบันไดเราก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปสู่ชั้นที่สองได้เห็นไหมการที่จะเป็นพระโสดาบันซึ่งเป็นพระเรียบบุคคลขั้นที่หนึ่งนี้ เราก็ต้องมีบันไดขึ้นไปบันไดก็คือมัคมัคคืออะไรก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่ทําให้เราบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาน mm. ี่ก็ mm. เป็นหนึ่งคู่มัค ก, กับผลเราต้องจริญมัว่าถึงเราจะได้ผลแล้วพอไ ด, ได้คู่แรกแล้วเราก็ไปทำคู่ที่สองต่อจริญมัคของคู่ที่สองคือพระสกิตาคามีพอได้คู่ที่สองแล้วเราก็ไปเจริคู่ที่สาม มากของภาพออนาคามยเพื่อจะได้ผลแล้วก็มันจะกรรมัชขั้นที่สี่ก็คืออรัตมัชอรัตาผลมั่นเป็นสี่คู่น้่นกันการทำวิปัสสนาด้วยเวทนากำหนดรู้ยังไงครับก็เวลาเราเกิดอาการเจ็บปวดทำนา่งกายขึ้นมาแล้วใจเราทุก อยากจะละงล้าความเจ็บปวดด้วยการไปหายามากินยาแก้ปวดมากินอย่างนี้เราถ้าเกิดหายาแก้ปวดไม่ได้ใจเราก็จะทุกข์ทรมานเพราะอยากจะให้มันหายปวดเราเป็วิธีใช้ใช้วิปัสสนาพิจารณาว่าทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดข้อนั้นการนี้มันเป็นสิ่งที่เราไปกําจัดไม่ได้มันมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งๆ้งงอยู่อย่างนี้ไปจัง ก, การมันจะหมดกาลังของมันไปเอง ถ้าเราไม่อยากจะทุก์กับมันก็อยา่าไปอยากให้มันหายหว่าให้มันเจ็บไปแล้วเราก็อยู่กับมันไปอยู่กับความเจ็บของร่างกายไปโดยที่ไม่ต้องบุกินยาแค่ปวดพอใจเรายอมรับความเจ็บอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ไม่ดูความอยากให้ความเจ็บหายไปใจก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บปวยของร่างกายคุณจันทร์ครับ ถ้าเราไม่รู้ชื่อปู่ย่าตายายเวลาเราทําบุญไปให้เราสามารถบอกว่าอุทิศบุญกุศลให้ปู่ย่าตายายในชาติพภพนี้ของเราได้ไหมครับและในการทําบุญให้พูดไปแล้วต้องพูดออกชื่อเสียงด็งดขาดเขาไหมครับไม่ต้องว่าไม่ต้องบอกชื่อเสียงก็ได้ถ้าเร า, า, เราเจอดถ้าเรากําหนดว่าเป็นคนนั้นคนนี้ก็แล้วกันให้รู้ว่าเป็นใครก็แล้วกันคุณภัยจิตบอกว่าไม่มีทุกสุขเลยค่ะเพราะเป็นอะไรคะ่ะ มันไปไม่ได้หรอกเพียงแต่ตอนนี้คนอาจจะบางช่วงอาจจะไม่มีทุกข์ไม่มีสุขบ้างบางช่วงมันก็ต้องทุกข์บ้างบางช่วงก็ต้องสุขบ้างสลับกันไปช่วงที่หิวข้ามันก็ทุกข์ว่าเวลาช่วงที่ช่วงที่ได้กินข้าวอย่มันก็สุขว้าอย่างเราเรามองไม่เป็นอย่างเรามองไม่ร่ว่ามันสุขเป็นทุกข์เรามีสุขทุกทุกวันเนี่ยเื่นขึ้นมาหิวข้าวมันก็ทุกข์มากเนี่ยตอนนี้กินข้าวอี่ก็กลคยกลายสุขขึ้นมา ถ้าเดี๋ยวเที่ยงก็หิวอีกก็กินอีกถ้าไม่กินมันก็หิวความหิวไม่หายความทุกข์มันก็ไม่หายมันก็ต้งกินกินกินอย่างทังอิ่มพออิ่ความทุกข์หายไปความสุขก็โผล่ขึ้นมาหม่มันมีอยู่ทั้งวันทั้งคืนเรามองไม่เป็นเท่านี้พอภาวนาแล้วชอบอยู่คนเดียวและดูอะไรก็ไม่สนุกอย่างนี้ทำมาถูกต้องไหมครับ ถูกต้องถ้าเราชอบอยู่คนเดียวเราชอบภาวนาะแต่เพียงแต่เราอย่าไปรังเกียจนะอย่าไปมีอะไรไม่พอใจกับคนอื่นกันถ้าเวลาที่เราต้องพบปะกันเ้าก็ต้องมีความเมตตาที่เราต้องมีการแสดงส้ำนันธำไมตีต่อกันไม่ใช่กลายเป็นการรังเกียจกันไปถ้าอย่าง น, นก็เป็นกิเลสใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีการจาเป็นจะต้องพบปะกัน ให้เราเลือกน้อก็จะเลือกอยู่คนเดียวอย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ผิดปกติเป็นธรรมชาติของคนที่พบกับความสงบแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งกับใครคุณมนตาครับการถือศีลแปดสามารถออกกำลังกายตามฟิตเนสได้ไหมครับสมัยนี้สมัยก่อนมันไม่มีฟิตนเนสแต่ออกกำลังกายออกได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องสถานภาพของเราว่าคุณจะ คนจะทําทตัวอย่างไรเพราะคนที่ถือศีลแปดนี้ต้องการสำรวมกายวาจ า, าการการทาให้มันดูสวยงามถ้าเราไปใส่กางเกนงกนายวิ่งกระโดดต้นเต้นอะไรย่างนี้มันก็นดูอาจจะไม่สวยงามยกเว้นถ้าเราทําอยู่ในบ้านในห้องของเราคนเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราทําในที่สาธารณะนี่คงอาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ถือศีลศีลแปดเพาะศีลแปดนี้เป็นการสำรวมกายวาจา การกะทำให้ดูเรียบร้อยสวยเรียบร้อยสวยงามไม่ใช่ไปกระโดดเต้นรั้งเต้นกายยกแข้งยกขาอันนี้เป็นการรู้สึกของเรานะเราเลี้ยงปลาแล้วจับปลามาทำเป็นอาหารบาปไหมครับถ้ามันตายก็บาป <laughs> าคถ้ามันตายมันเกินมันก็บาปถ้ามันตายแล้วจับมากินได้บาปถ้าเกิดมนนันลอยขึ้นมามัน มันตายด้วยธรรมชาติของมันแทนที่เรายาวไปทิ้งเรามาทอดมาผัดนี้ไม่บาปนะถ้ามันตายนะแต่เราอย่าไปทำว่ามันตายคุณปุเป้ครับมีอาจารย์ที่เป็นค า, ารวาสคนหนึ่งบอกว่าการทําสมาธิโดยใช้คํ า, าว่าภาวนาว่าพุโทโธเป็นบาปเพราะไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าและมีกิเลสปนอยู่เพราะอยากสงบซึ่งในความคิดผมไม่คิดว่าจะบาปตรงไหนเพราะเราแค่อยากสงบ ขออนุญาตเรียนสอบถามครับอไม่อยากจะตอบคําถามพวกนี้เลยมันมันไม่น่าจะเป็นคำถามขึ้นมาเลยคนที่คิดอย่างนี้ไม่รู้คิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระเจ้าอย่างละเอียดและออพุทธานุสติก็คือพุทโธนั่นก็สอนในใจริญพุทธานุสติเราเป<แ>็นเป็นบาก็ไม่ได้มีบาป ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ไไม่ได้ทําผิดศีลมันจะไปบาปได้ยังไงถ้าเราให้คนยืมเงินไปแล้วไม่ได้คืนจะต้องทําใจอย่างไรครับคิดว่าเป็นการทําบุญไปก็แล้วกันหรือเป็นการใช้หนี้เก่าก็ได้เราอาจจะเคยเป็นหนี้เขามาก่อนนชาติก่อนชาตินี้เขาก็เลยมาทูกหนี้เราคิดว่าอ้อยเข้าปากชาตแล้วโอกาสที่มันจะคลายออกมานี่คงจะยาก การไปล้างห้องน้ําที่วัดเป็นการทําบุญไหมครับก็เป็นการรับใช้สังคมรับใช้วัดวัดแคต้องต้อมีคนอยมาทําความสะอาดเนื่องจามีคนคนทว่าไม่มีงานจ้างคนมาทําความสะอาดแล้วเราไปอาสาสมัครทําความสะอาดให้กับวัดเราก็เราก็ได้บุญ คุณวันลิน ล, นลดาครับถ้าตั้งใจทําบุญแล้วแต่พระรูปนั้นเราทราบภายหลังว่าไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราไม่สบายใจแบบนี้เราได้บุญไหมครับเราควรทาเช่นไรครับออบุญที่เราทําตอนนี้มันเรดได้ไปแนละ้วเวลาเราทำของท่านเราก็มีความสุขใจที่เรามาีความไม่สบายใจนะี้มันก็เป็นกินเลสของเราเองที่เราไปอยากให้ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอท่านไม่เป็นตามความอยากของเราเราก็เลยไม่สบายใจ มันคนละเรื่องกันบุญที่เราทํานั้นมันก็ยังมันก็ยังฝังอยู่ในใจของเราอยู่จริญอาณาปานาสติดูลมจนลมค่อยๆสงบรีบลงและลมหายไปในที่สุดลําดับต่อไปควรจะดําเนินอย่างไรต่อไปครับก็ดูต่อไปดูดูที่จุดเดำเราดูลมที่ตรงจุดนั้นก็ดูตรงนี้ตรงจุดนั้นไม่ต้องย้ายที่แล้วก็ทำความพอใจว่าตอนนี้ไม่มีลมลมหมนแล้วก็รู้เชยๆไปได้ ไม่ต้องไปทําเลยไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปย้ายชนะย้ายที่ดูทําต่อไปเหมือนกับตอนที่มีลมตอนนี้จิตก็จะล ง, ง, งมลลลเข้าสู่ความสงบใกล้ละใกล้เข้าสู่ความสงบแล้วคุณมดครับการที่คนเราทําบาปโดยไม่คิดว่ามันบาปและหลังทําก็มีความสุขใจและคนทําเข้าใจว่าไม่ได้ทํำบาปอะไรแต่ผลของการกระทํานั้นได้เป็นการทําร้ายหรือเบียดเบียนผู้อื่น แต่คนที่ทํานั้นไม่ได้รู้ถึงตรงนี้ไม่ได้นึกถึงว่ามันเป็นบาปคนคนนี้จะได้บุญหรือบาปครับก็จะได้บาปจะได้เกิดเป็นเดรัจฉานเพราะสารเดรัจฉานเขาก็าไม่รู้ว่าเขาทํำบาปเขาคิดว่าเขาทาเพื่อเรื่องชีพของเขาไม่ได้ไปเบียนเบียนใครเขาเขาทำเพราะว่าเขาต้องเอาตัวเขารอดมั่นก็ถือว่าเป็นเรื่อธรรมดาถึงแมว่าจะต้องไปเบียดเบียนผู้อืก็ต้องเป็นเสกที่จําเป็นจะต้องทํา แล้วก็จะต้องอยู่รอดอนนก็เป็นคาคิดแบบนี้คนที่ทําแล้วไม่รู้ว่าบาปไม่รู้ว่าเป็นการกระทําบาปทําเพื่อเอาเอาประโยชน์ใส่ตัวเอาความสุขใส่ตัวอย่างนี้โดยที่ไม่ไปคิดทำยังถึงว่าไปสร้างความทุกข์แยงเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรืไมก็จะเป็นสันเดลชาญใจก็จะคิดเหมือนสันราชาญไปการเดินจงกรมช้าหรือเร็วมีผลเหมือนกันไหมครับ หมอนกันอยู่ที่สติมากกว่ามีผลไม่มีผลอยู่ที่สติมีสติหรือไม่มีสติไม่ได้อยู่ที่การเดินช้าเร่ง เ, เร็วบริจาคไตให้อาไปถือว่าเป็นการให้ที่จะได้บุญไหมครับได้เรามีความสุขใจไหมล่ะเวลาที่เราบริจาคไปมีความสุขใจนะ่นคือบุญ คนที่ถูกหวยรางวัลใหญ่อย่างนี้ถือว่าเขามีบุญติดตัวมาก่อนหรือเปล่าครับก็เป็นเป็นเป็นปัจจัยเหตุอย่างอันหนึ่งก็ได้แต่จะไม่เป็นไม่อาจจะไม่เป็นก็ได้เพราะกันถูกหวยนี่มันอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันอาจจะรู้ล่วงหน้าไว้ก่อนก็ล็อกหวยไว้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นโชคเป็นเปนจังหวะที่จะถูกก็ถูกก็ได้ เรื่องเรื่องเหล่านี้ท่ถว่าเป็นเรื่องของอานนิจจังไม่มีอะไรแน่นอนเพราะมันมีเหตไมีปัจจัยหลายหลายประการด้วยกันที่มันทำให้เกิดเกิดผลอย่างนี้ขึ้นมาอาจจะเป็นบุญก็ได้อาจจะเป็นจังหวะที่มันจะถูกก็ได้เื่อไม่มีใครรู้คุณวิไลครับถ้าเราทำทานแต่เราทำผิดศีลห้าประจําเราจะเกิดมาเป็นอะไรครับ ก็เหว่ว่าอันไหนมีกำลังมากกว่ากันเนี่ยถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญก็ต้องไปรับผลบาปก่อนมันเกิดในอบายก่อนแต่ถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปเราก็จะไปสวรรค์ก่อนถ้าเราไม่อยากแล้วเราควรจะวางใจในการทำสิ่งต่างๆให้ได้ดีได้ยังไงครับอความอยากที่ไม่เกี่ยวกับการทาอะไรต่างๆการทำอะไรต่างๆ ถ้าเป็นหน้าที่ของเราต้างทำเราก็ทําไปตามหน้าที่แต่เราไม่ได้ทำด้วยความเสือ่อมอยากจะทําเราะั้นเรหยุดความอยากเสือ่อมเท่านั้นที่เราให้อยู่เนีุดไม่ได้อยุดอะไรหรอกอย่าไปเสือ่อมอย่าไปอยากได้นุ่ น, นาได้นี่นนทํานุ่นทํานี่ถ้าไม่มีคาำจาเป็นนนั้ที่เราจะต้องทําอะไรไม่ต้องไปทําอยู่เฉยๆดีกว่าแต่ถ้ามีหน้าที่ต้องทําก็ทําไป ฝากเพื่อนไปใส่บาทครับไม่สะดวกไปเองได้บุญเท่าเพื่อนที่ใส่หรือไม่ครับอบุญมันมีสองส่วนในที่นี้คือบุญที่เกิดจากการเสียสละหนึ่งถ้าถ้าทําบุญเท่ากันถ้าเขาทาบุญร้อยบาทเราทําบุญร้อยบาทบุญส่วนที่เราได้เท่ากันส่วนบุญอีกส่วนที่เราไม่ได้ก็คือความเพียรความพยายามความขยันอันนี้เขาเขาได้เพราะเขาเป็นคนไปทํา แต่เราไม่ได้เพราะเราขี้เกียจไปแล้วไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ม่ไม่มีเวลาที่จะไปทําเราก็จะไม่ได้บุญส่วนนี้บุญที่เกิดจากความเพียนสามีเสียไปแล้วหลังจากนั้นรักผู้ชายคนอื่นบาปไหมครับถ้าตายไปแล้วก็ไม่บาปนะถือว่าเป็นส่นแล้วกลับมาเป็นโสดแล้วหน้านี้ไปรักใครก็ได้แต่ถ้าจะรักบาปให้มันถูกไม่บาปก็คือต้องไปแต่งงานกัน เพื่อไม่ให้แบบประพฤติผิดประเพนีคุณครองสติครับลูกพักที่โรงแรมขณะที่กำลังสวดมนต์และแผ่เมตตาส่วนบุญส่วนกุศลรีโมทที่วางอยู่ตรงหัวเตียงมีเสียงกระแทกดังมากตกใจทั้งที่เขาอยู่ถูกวางไว้เฉยๆแต่ลูกก็ยังสวดต่อเป็นไปได้หรือไม่ว่าว่ามีคนวิ ญ, ญญาณมารับบุญครับอจจะเป็นอุ ป, ปทานของเราก็ได้ก็ก็รอดูไปถ้าไม่เห็นมีใครมารับบุญก ปปเปปาขรถ้าพ่อแม่ไม่เคยเลี้ยงดูเราตั้งแต่เกิดแล้วเราเลี้ยงดูท่านแค่ตามสมควรเราบาปไหมครับไม่บาปหรอกการเลี้ยงดูก็ได้บุญเพียงแได้บุญมากได้บุญน้อยก็อยู่ที่เราเลี้ยงดูท่านดีและไม่ดีถ้าเลี้ยงดีก็ได้บุญมากถ้าเลี้ยงไม่ดีก็ได้บุญน้อยคุณ น, นิรันดร์ครับ ผมอยากมีจิตใจที่ปล่อยวางและมีสติระลึกรู้ตลอดเวลาต้องทําอย่างไรครับรู้สึกเบื่อกับชีวิตที่เกิดมาครับมีสุขและทุกข์ที่ไม่มีอะไรแน่นอนเลยก็มาฝึกสติกันทั้งวันทั้งคืนนะเมื่อนานล่มตาขึ้นมาก็เท่าพุดโธรพูดโธไปเรื่อยๆ เ, เาไปจิเราก็จะมีสติระ ล, ลึกรู้ตลอดเวลาแล้วเราก็จะปล่อยวางได้ตลอด เคยได้ยินว่าพอตายไปแล้วจิตจะไปเกิดแล้วพวกสัมภเวสีท no. okay? ําไมไม่ไปเกิดครับเขาไปเกิดเป็นเพาว่าเขายังไม่เขาไปเกิดแต่ไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเป็นเทพเป็นอะไรนี่ก็ก็ถือว่าไปเกิดแล้วให้เป็นเปรตก็ไปเกิดแล้วเป็นไปนั่นนั่นก็ไปเกิดแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เท่านี้ คุณสุกี้ครับได้นั่งสมาธิมาสักพักตอนนี้ระหว่างวันรู้ทันอารมณ์ที่เกิดของตนมากขึ้นสติที่เกิดขึ้นทันอารมณ์เหตุเกิดจากการนั่งสมาธิใช่ไหมครับก็เหตุจากการที่เราเจาริญสติไงการนั่งสมาธิก็ต้องเจริญสติการยืนโยกมือก็ต้องเจริญสติหรือการกระทำอะไรต่างๆในในระหว่างวันถ้าทาด้วยการเปนสติก็ถือว่าเป็นการเจริญสติ ถ้ามีสติแล้วจิตก็จะ ม, Allah, มี น, นู้ทนอารมณ์ได้เร็วขึ้นมากขึ้นทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าภาวนาครับการภาวนาก็คือการชำระสติให้ใจนิ่งสงบนี่เรียกว่าภาวนาสมถะภาวนาแล้วทาใช้การพิจารณาทำพิจารณาไตายรับพิจารณาทุกอย่างเป็นอนิจจไม่เทียม อันนี้ก็จะเป็นวิปัสสนาภาวนาการภาวนา this มีแบ่งเป็นสองขั้นขั้นสมถะภาวนาด้วยการจเจริญสติกให้ใจเนื่งสงบก็เรียกว่าสมถะภาวนาถ้าให้ใจคิดในทางปัญญาพิจารณาตายแนละ้วก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาใช้กับสงฆ์ใช่ไหมครับ เราใช้กับทุกคนที่ปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ใช้ได้หมดฆราวาสญาณโยมก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าคราวาสไม่อยากจะรัก ไ, ก, ะ ก, ไกไม่อยากจะทยก็ไม่ค่อยเพราะไม่อยากจะรักษสาศีลกันก็นกเลยไม่ทํากันก็เลยคิดว่าทเป็นเรื่องของพระไปเป็นเรื่องของที่ใครก็สามารถรักษาได้เป็นคฆราวาสก็รักษาศีลได้เป็นพระก็รักษาศีลได้ ทำเจริญสติแบบเคลื่อนไหวดีไหมครับก็ต้องมีสติทั้งวันทั้งคนยนเนี่ตลอดเวลาตั้งแต่เราเรียนตาขึ้นมาพอเรามีการเคลื่อนไหวก็ต้องมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวนะหรือว่าเรากราลังทําอะไรหรือว่าเรากำลัง เ, เดินกำลังยืนกําลังทำอะไรกำลังกินกำลังรับประทานกำ อ, อาบน้ ำ, นำอะไรก็ให้มีสติรู้อยู่ตลอดเวลาคุณแจ็คครับ หลวงปู่เทศท่านกล่าวว่าที่สุดแห่งศีลคือเจตนาวิรัติที่สุดแห่งสมาธิคืออัปปนาสมาธิที่สุดแห่งปัญญาคือไตรลักษณ์จริงไหมครับอาจารย์ก็ไม่อยากจะไปไปพูดเกี่ยวกับคำซอยของผู้อื่นพี่ชายเสียแล้วแต่ฝันว่าพี่ชายมาพบบอกว่าอยากกินสับปะรดเลยใส่บาทไปให้พี่ชายได้รับไหมครับเราส่งไปแล้วก็ควรจะได้รับนะ แต่ต้องโอุทิธิไปเนะี่ยหมอตอนนี้เขาโหติธแต่ไม่ได้เป็นสัพพะรถที่จะไปครับมันเป็นบุญที่เกิดจากการเราใส่บานด้วยสัพปรถเี่ยที่เป็นเป็นของที่สามารถาสามารถเงิมิตได้ในในโมกธิษณ์เนี่ยส่งบุญไปแล้วบุญนี้สามารถเงิมิตตามสิ่งที่เขาต้องการได้อยากได้บ้าน ก, ก็บุญก็จะกลายเป็นบ้านขึ้นมาอยากจะได้นรถบุญก็จะกลายเป็นรถขึ้นมา คุณสมคิดครับการทําบุญโดยอยากทําบุญมากๆแต่กําลังทรัพย์มีไม่มากพอและทําโดยไม่ให้ตัวเราเดือดร้อนและบางครั้งก็เป็นสะพานบุญบอกบุญพี่ๆน้องๆให้ร่วมทําบุญด้วยถือว่าเป็นการหลงบุญไหมครับเมื่อหรอกการทําบุญนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนี่ไม่หลงบุญก็ไมเป็นเสียหายเราไหนทาได้เพียงแต่ข อ, ตอนต้องรูว่า บางครั้งเราอาจจะคิดว่าเราทําน้อยแต่ความจริงเราอาจจะทํามากโดยที่เราไม่รู้สึกตัวก็ได้เพราะถ้าเราไปมองตัวตัวเลขของเงินที่เราทํำนี่มันอาจจะน้อยเช่นเนี่ยเราทําำเงินระดับร้อยเราเห็นคนอืกก่นเขาทําบุญระดับพันไม่ก็หมืน่นเราอาจจะคิดว่าเราทําบุนน้อยแต่ความจริงเราอาจจะทํามากกว่าคนที่เขาทําบุนระดับหมื่นก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้วัดที่ตัวจํานวนเงินแล้วัด ที่สัดส่วนของเงินที่เราเสียเสียสละไปบ่อยจากไปเช่นเราทําระดับละร้อยละบต่สัดส่วนมันอาจจะเป็นห้าสิบขึ้นไปก็ได้ส่วนคนนี่เขาทําระดับหมื่นอาจจะเป็นสัดส่วนแค่สิบหรือต่ำกว่าสิบก็ได้ถ้าเขามีเงินมากเพราะงั้นบางทีเราอาจจะทำเงินมากกว่าคนที่เขาทำเงินมากกว่าเราก็ได้ยังไงเขราน้อยอาา ก, กว่าแต่เรากลับทําได้บุญมากกว่าเขาก็ได้ เรให้ดูที่สัดส่วนของทรัพย์สินที่เราทำไปว่าเราทำวอนละเท่าไหร่บวชีพราหมณุ่งขาวโ่มขาวอยู่บ้านที่พักอาศัยเราเองได้ไหมครับได้ไม่มีข้อห้ามตรงไหนคำว่าการทำสะสะสมบูรณ์เป็นแก้วสารพัดนึกเช่นนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ใช่การบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะนนดได้เวลาเรา เวลาเราอยู่ในโลกเทปนี้นบุญจะเป็นตัวที่ทําให้เราอยากจะในระมิตได้รถมันก็จะมีรถมาให้เราครับอยากจะได้บ้านมันก็จะมีบ้านมาให้เราอยู่เพราะเราอยู่ในโลกของความฝันโลกของแรงระมิตแรงในระมิตก็คือใตโลกโลกททปนี้ที่เดวงวิญญาณของพวเราจะไปอยู่กัน หากรู้แล้วว่าเป็นโรคร้ายปล่อยตามธรรมชาติไม่รักษาจะอย่างนี้ถือว่าเป็นการปล่อยปละละเลยไหมครับก็อยู่ที่เราถ้าเราไม่ต้องการพยายามรักษาก็ไม่ก็ไม่รักษาก็ไม่ปล่อยปละ ล, ละไรก็ไม่เสียหายทำไงนะถ้าคนไม่ต้องการพยายามรักษาการมีสติรู้ตัวอยู่กับพุโทโธตลอดคือการที่เราพุโทโธในใจหรือครับ สมมุติเราเดินไปมาเราก็พุโทโธอยู่ที่ลมหายใจไม่ให้เราเผลอคิดเรื่องอื่นเราล้างจานเราก็พุโทโธในใจแต่มือก็ล้างจานไปแบบนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วเรามีพุโทโธรอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆอาบน้ําก็พุโทโธไปที่เราปรานอาหารก็พุโทโธไปแต่งเนือแต่งตัวก็พุโทโธไปใจจะได้ไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ เราจะวางใจอย่างไรหากคนในครอบครัวสร้างความเดือดร้อนให้เราอยู่ตลอดเวลาจนรู้สึกท้อใจมากครับก็ถือว่าเป็นกรรมของเราที่เรามาเจอกับคนแบบนี้ก็แล้วกันคุณอัมพรครับปล่อยปูปล่อยปลาแล้วห้ามกินใช่ไหมครับยินได้ถ้าเราไม่ไปฆ่าเขายินได้ทุกชนิดสัตว์ทุกชนิดถ้าเป็นของตายแล้วปล่อยปูปล่อยปลาแล้วมันซื้อปูปลาที่ตายไปไปทำต่อข้าวกินก็ได้ไม่เกี่ยวกัน ข้อที่สองครับเราสั่งร้านขายปลาเผาให้มาส่งที่บ้านเรามีส่วนผิดศีลไหมครับมีถ้าเราไปสั่งเขาสั่งให้เขาทําให้กับเราทำเองก็ค่าหเองก็บาปให้เขาค่าสั่งให้เขาค่าให้กับเราก็บาปเหมือนกันถ้าเราอยากจะไม่บาปก็คือเราอย่าไปสั่งเขาว่าไปที่ร้านเก็ดูว่าเป็ของปาที่ตายหรือปลาที่เราต้องการถ้ามีเราก็ซื้อมาอย่างนี้ไม่บาป นั่งสมาธิไม่ค่อยได้นานแต่ทําทานบ่อยอยู่แต่พยายามฝึกรู้ตัวเองอยู่กับตัวเองเวลามีอารมณ์ที่ไม่ดีก็ฝึกรู้และพยายามดับหายให้เร็วแบบนี้จะได้บุญไหมครับคือการทําสมาธินี่ก่อนจะได้บุญก็ต้องจิตต้องสงบก่อนถ้ายังไม่สงบก็ยังถือว่าอยู่ในขั้นตอนของการสร้างบุญอยู่อันนี้ไม่ได้ผลบุญ จีนพันครับการปฏิบัติการที่จะหยุดราคะโทสะมันเร็วมากครับไม่ทันสักทีต้องมีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับไม่ตาด้วยครับกอเ น, นี่าต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตสงบให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าทำจิตให้สงบได้้วเราจะเราจะมีสติที่จะทันราคะโทสะเวลามันโผล่ขึ้นมา น้ไม่สบายไปทำบุญที่วัดไม่ได้เราไปทำบุญแล้วถ้าเขาอนุโมทนาบุญเขาได้บุญด้วยเช่นกันใช่ไหมครับได้บุญคนละอย่างกันบุญที่เกิดจากการทำทานนี้เขาไม่ได้เขาเป็นได้บุญจากการที่เราเขามีความชื่นชมยินดีกับการทำบุญของเราซึ่งเป็นบุญคนละอย่างกันยกเว้นว่าถ้าเขาฝากเงินไปทำบุญด้วยนะ้นนีเขาก็จะได้บุญชนนี้ไป ถ้าก็ไม่ได้ฝาเงาไม่ทาบุญก็กลับมาบอกว่าวันนี้ไปทําบุญมาแล้วก็แสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนาเขาก็จะได้บุญส่วนที่เกิดจากการอนุโมทนาท่้นนั่นเองคนตออ่างดักันคุณวราธินครับชอบคิดปรุงแต่งกังวลใจกับเรื่องที่ยังไม่เกิดในงานจะแก้ไขยอย่างไรครับ ก็พิจารณาว่าทุกอย่างมันไม่เทียงไม่มีอะไรแน่นอนอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะไม่เกิดก็ไม่เกิดทิท่านี้ก็แล้กันนัก็รอให้มันดูเหตุการณ์ความจริงว่าอะไรจะเกิดก็ก็รู้กักนครับใส่บาทตอนเช้าแล้วลืมกรวดน้ำบุญนี้จะถึงใครครับถ้าไม่กรวดนะเราก็อยู่กับเราไปหมดทั้งหมดถ้าเรากลัวเราก็แบ่งไปส่วนหนึ่ง ผมเป็นเกษตรกรยังไงศีลข้อห้าต้องขาดอย่างแน่นอนมีวิบากกรรมแน่นอนพระอาจารย์มีวิธีอย่างไรบ้างครับราคะโมหะโทสะมีบ้างครับก่อนนอนและหลังตอนนอนตอนเช้าผมทําสมาธิรักภาวนาติ๊กตอกผมไม่มีครับศี่ห้าข้อหรือสี่ข้อห้าข้อหเป็นข้อเดียมโชราไม่ใช่หรือเอาหมายถึงสีข 1, งส่ข้อหนึ่งรึเปล่ามันคงจะเป็นศีลข้อหนึ่ง ถ้า <จบ S 2> มีการฆ่าสัตว์มแรอะไรต่างๆนี่ก็พ <ucking> ยายามอย่าทำเลยพยายามเดยวๆถ้ายัางต้องทำอยู่ก็ต้องยอมรับว่ามันเราก็ยังต้องรับวิบากของเราอย่างแน่นอน <c ười> จะแก้กรรมอย่างไรครับถ้าคนที่เราอยู่ด้วยทำให้เราทุกข์ใจครับ <c ười> คือกรรมเราไม่แก้ไม่ได้ ถ้าคนที่อยู่เวลาเราทําเราทุกข์ใจเราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าเราทุกข์ใจเพราะอะไรส่วนใหญ่ถ้าวิเคราะห์มันก็จะเห็นว่าเพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่ได้เป็นไปตามความอยากเราก็เลยทุกข์ใจถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องอยากไปอยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้ปว่อยให้เาตามสบายเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทาไปเราก็ไม่ทุกข์กับเขา เวลาใกล้จะตายอาการเป็นอย่างไรครับมีคนเคยบอกว่าเวลาใกล้จะตายมันทรมานมากถ้าแตกเราต้องทําหรือปฏิบัติอย่างไรให้ไม่กลัวตายทุกวันนี้นึกถึงความตายอยู่ตลอดครับเข า, ายามทําใจสงบทำใจสงบแล้วก็จะไม่กลัวตายแล้วก็จะไม่ทุกกับความตายเวลาที่ไปงานสวดพระอภิธรรมจะเอ่ยชื่อผู้วายชนให้ท่านฟังพระสวดและอนโมทนาบุญด้วยทําได้ไหมครับ คือการสวดนี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นการส่งบุญไปให้ผู้ร้รับไปแล้วนะการสวดการจะส่งบุญนี่ต้องอุทิศบุญที่เกิดจากการทําทานของเราคุณเจเฮียงครับหนูเป็นคนพิการแต่ไปเจอไลฟ์สดของแม่ค้าคนหนึ่งลูกเขารถชนผ่าสมองแล้วก็บอกให้แม่เขาตั้งสติกรรมของเราต่าวาระถึงเวลาก็ต้องไปถูกต้องไหมครับอาจารย์ ครอบครัทุกครมีปัญหาทุกค น, ท, กคนทุกคนเกอนมาเราจะต้อง เ, เจอความแก่ความเจ็บความตายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งกันอย่างแน่นอนเป็นธรรมดาของการมาเกิดมีคนถามหนูว่าทําดีแล้วศูญย์เปล่าคือบทสรุปใช่ไหมครับควรตอบเขาว่าอย่างไรดีครับเกิน ค, ความดีมันเกิดไปกับใจของเรามันไม่ได้มันไม่ได้อยู่กับร่างกาย เพรา้นเรามองไม่เห็นเพราะว่าจิใจของเราเป็นเป็นนามธรรมาไม่ใช่เป็นรูปธรรมเราเห็นเพียงแต่ร่างกายแล้วเราคิดว่าพอร่างกายเราตายไปแล้วความดีต่างๆไว้ก็หายไปกับร่างกายนะครับที่มันไม่หายมันติดไปกับใจคอามดีนี่แหละที่จะทําให้เราไปเกิดดีต่อไปคุณพีครับมีวิธีที่จะแบ่งเบาเคราะกรรมของลูกมาให้พ่อแม่ไหมครับ ไม่มีหลักการใครกำมันนั่งสมาธิมือชาแล้วเราสรับมือและนั่งสมาธิต่อไปได้ไหมครับได้แต่เป็นเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ถ้านั่งแล้วมันอย่าไปแต่ร่างกายอย่าไปขยับร่างกายเพราะเวลาขยับร่างกายนี่เหมือนกับเราถอยจิตออกมาที่ร่างกายเวลานั่งสมาธินี่เราต้องการดึงจิตให้ออกจากร่างกายให้เข้าไปทําใน เพรั้นเวลานั่งเราอย่าไปสนใจกับเรื่องของร่างกายอย่าไปแตะอย่าไปขยับให้อยู่กับการภาวนาไปเรื่อยๆคุณสราวุธครับเหตุใดถึงมีแต่คนเอาเปรียบเปียดเบียนเราทั้งงานแะครอบครัวครับเป็นธรรมดาเราอยู่ในโลกนี้มีทั้งคนดีคนไม่ดีสลับกันไปจังหวะเราอาจจะไปเจอช่วงที่เจอคนไม่ดีเยอะก็เลยรู้สึกว่ามีแต่คนเบียดเบียนเรา อนี้บางจักวะบางง่าจะเปลี่ยนไปก็ได้อาจจะไปเจอคนที่ดีคนที่เขาจะช่วยเหลือเราสนับสนุนเราก็ได้ต้องมองโลกว่ามันเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนโลกเรา ม, มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีสลับกันไปปนกันไปมากบางน้อยบ้างเราเป็นสิ่งที่เรากบกลุ่มบังคับไม่ได้ก็ต้องหัดทาใจอยู่กับมันไปแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน การเงินไม่คล่องตัวแต่เราก็ไม่ได้เป็นทุกยอมรับได้ค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้ถือว่าปฏิบัติได้ถูกต้องไหมครับก็สันโดษเป็นการเป็นการปฏิบัติที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ได้มากน้อยก็พอใจอมรนไปคุณสิธิการครับเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าญาติที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรรู้ได้อย่างไรว่าญาติที่ตายไปแล้วเกิดเป็นอะไร อ๋อเราก็ต้องมีภ ינה มีตาทิพย์เท่านั้นอย่างจะรู้ได้ถ้าไม่มีตาทิพย์เราก็จะไม่รู้ทำบุญแล้วจดบันทึกบุญใส่สมุดได้ไหมครั บ, รบกลัวว่าจิตดวงสุดท้ายจะนึกถึงบุญไม่ออกกลับมาอ่านก็จะมีความสุขครับได้แต่ไม่ต้องไปกลัวหรอกเพราะว่ามันจะฝังอยู่ในใจของเราบทั้งบุญทั้งบาปจงได้ไม่จำได้มันไม่ไมันไม่เป็นประเด็นสาคัญถึงเวลาบุญถ้าจะส่งผลก็มันจะส่งผลเอง เวลาว่างมันจะสมงผลว่าจะสมงผลเองจำได้ไม่จาได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปเปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้คุณวิพาครับการถวายอาหารและน้ำพระพุทธ ร, รูปได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกเพราะว่าพระพุทธ ร, รูปนี้ไม่ได้รับประทานอาหารที่เราถวายไป เวลาเราทำบุญแล้วเราตั้งจิตภาวนาให้กับคนในครอบครัวเราด้วยเขาได้บุญไหมครับไม่ได้เนาะบุญอยู่ของกายของเราต้องทำกันเองคุณเบเรนี่ครับการทำบุญให้ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วแบบใดที่ผู้ล่วงลับจะได้อ น, นิสงส์งสูงสุดครับก็ทำทานนี้แหละเป็นงานวัทิบุญแล้วอย่งบุญเยอะๆก็ทำเยอะๆทา่านเอ หมอแจ้งว่าดิฉันเป็นเนื้อร้าย 15% และแนะนำให้ผ่าตัดดิฉันเห็นว่าค่าใช้จ่ายแพงมากและอีกอย่างความตายเป็นธรรมดาก็เลยไม่ผ่าตัดคิดแบบนี้ถูกไหมครับก็เป็นเป็นความตัดสินใจที่เราสามารถเลือกได้แต่ถ้าทำหลักทำเพื่อเจ้าสอนท่านสอนว่าให้เรารักษาซั์เพื่อรักษาวัยวะให้เรารักษาอาวัยวะเพื่อให้เราสลับเพื่อรักษาวัยวะ ก็ให้เราสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแล้วก็ให้เราสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมแบบนี้มันมันไม่ได้เป็นแบบที่พระเจ้าสอนนะให้เอันนี้เขาบอกว่าไม่อันนี้เรายัางยังเสียดายทราบอยู่ไม่อยอมไม่ยอมเสียสละทรัพย์ยอมสละชีวิตก็อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณแต่คุณอยากจะทํ า, อ, าทอะไรก็ไม่มีใครห้ามได้ไม่บาปหรอกถ้าเราปล่อยให้รัากายมันตายถ้าเราไม่ไปรักษา ถ้ามีเหตุจําเป็นต้องโกหกเพื่อช่วยลดความแตกแย้งแตกหกักระหว่างบุคคลอื่นแบบนี้ผิดศีลไหมครับผิดถ้ามันถ้ามันโกหกก็ผิดศีลนะไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามคุณกิกครับเคยฟังที่มีคนถามพระอาจารย์เรื่องใส่บาตรถ้าคนที่เราอุทิศให้ไม่อยู่ในสภาพที่รับได้แล้วก็จะไม่ถึงมีแค่ภพเปรตที่รรับได้แต่ถ้าทําเป็นสังฆทานไปเหมือนกันไหมครับหรือเป็นเฉพาะอาหารครับ เหมือนกันไม่ว่าจะทาในรูปแบบไหนก็ไม่สามารถจะบุญถ้าถ้าผู้ที่รับไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะมารอรับอยู่เขาไม่ได้รับอยู่ดีลูกให้เงินไปทำบุญลูกจะได้บุญด้วยไหมครับลูกได้บุญตั้งแต่ลูกใได้บุญตั้งแต่ให้เงินไปแล้วโดยที่ไม่ต้องไปเพ ن แต่ว่าอย่าไปสั่งให้แม่เอาไปทำบุญก็แล้วกันเพราะว่า ถ้าไปสั่งนี้ถ้ากัใช้แม่ให้เอาเงินของเรานี้ไปทําบุญแม่ก็จะไม่ได้บุญเพราะแม่ต้องเป็นรับใช้เอาเงินของลูกไปทําบุญให้กับลูกลูกจะได้บุญแต่ถ้าลูกอยากจะได้บุญและอยากให้แม่ได้บุญด้วยก็คือลูกก็ให้เงินแม่ไปแต่ไม่ต้องบอกว่าแม่เอาเงินนี้ไปทําบุญแล้วแต่แมาจะเอาไปทําอะไรก็ได้แล้วถ้าแมคิดว่าเออเราก็มีเินเหลือเฟือเอาเหมือนกันนี้ไปทําบุญดีกว่าอย่างนี้แม่ก็จะได้บุญจากการ จากเงินที่เราให้ท่านไปแต่วถ้าไปสั่งว่านี่มันทนาว่าเราไปสั่งให้ก็ไปทำบุญไปใช้เขาเขาก็เลยไม่ได้รับบุญส่วนนี้ไ ป, ปยังเป็นของรเราอยู่คุณเอกครับข้อที่หนึ่งครับการอุทิศแพกุศลให้บุคคลที่เรารักใช้วิธีตั้งจิตด้วยเจตนาคือด้วยจิตเมตตากรุณาและคล้าย ท, ทยํามสัจจะอธิษฐานกล่าวว่าขออุทิศบุญกุศล ทุกประการตลอดการ ท, ทั้งที่สร้างสมมาตั้งแต่อดีตชาติจวบจนปัจจุบันและที่จะสร้างตราบจนถึงชีวิตสิ้นพบชาติให้เขาใช้วิธีนี้ได้ไหมครับเขาจะได้รับบุญทั้งปวกทุกประการของเราไหมครับถ้าเขารรับอยู่ก็ได้ข้อที่สองครับการอุทิศกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรต้องนึกอุทิศเจาะจงให้ทุกครั้งที่ทํากุศลไหมครับหรือใช้วิธีนี้ได้ไหมตั้งจิต อุทิศบุญทุกประการตลอดการให้ไปเลยครับได้ทําได้แต่เขาจะไม่รับหรือไม่ไมก็อีกเรื่องหนึงนะแล้วเขาจะให้อภัยกับเราหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงคนละเรื่องกันเขาจะไม่ไม่ยังไม่เลิกจองเงินจองกรรมกับเราก็ได้ก็สามนี้อ่านไม่ครบนะครับอาารย์ขอญาติข้ามครับ ดิฉันฝันเห็นผู้หญิงไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านร้องเรียกชื่อดิฉันว่าพี่ช่วยหนูด้วยดิฉันควรทาบุญแบบไหนเขาถึงจะได้รับพอดีคุณแม่ของดิฉันเคยทําแทงครับก็เรนะาจะถวายจีวรให้กับพระก็ได้เป็นการถวายเสื้อผ้าหรือบริจาคเสื้อผ้าให้กับสถานสงเคราะห์ก็ได้ ถ้าเราทําบุญอุทิศส่วนกุศลหาเจ้ากรรมในเวรแต่เราไม่รู้จักชื่อเขาทําบุญกวดน้ําแล้วจะถึงเขาไหมครับถ้าไม่บอกว่าเป็นใครเ้าบอกมันก็จะไม่ถึงตงรงนี้ว่าเป็นใครชาตินี้ถ้านั่งสมาธิทุกวันแต่ทําทานน้อยชาติหน้าจะมีปัญญาแต่ยากจนใช่ไหมครับพระหุนก็เป็นอย่างนั้นแต่ไม่เสียหายยังไงคนยากจนแต่ในถ้ามีความสุขอยากสมาธินี้ตรงนี้ มันสุขมาว่าคนรวยที่ไม่มีสมาธิครูบาอาจารย์เราเกิดส่วนใหญ่แท็กยากจนนั่คุณสนั่นครับทําไมเวลาทํางานเหนื่อยแล้วมานั่งสมาธิเหมือนจะสงบเร็วแต่เวลาไม่ค่อยเหนื่อยจะฟุ้งซ่านแก้ยังไงครับพอเวลาบางทีเหนื่อยเินมันก็เหนื่อยด้วยมันก็เลยไม่คิดมากมันไม่มีลาทีอยาคิดมันก็เลยสงบได้ นี่ก็พยายามทําทให้ร่างกายกับจิตเหนื่อยถ้านั่งแล้วมันยังฟุง้งซ่านอยู่ก็ลกมารเดินจงกรมโดินเยอะๆเดยนจนทั้งร่างกายก็เหนื่อยจิตก็เหนื่อยแล้วใครมานั่งสมาธิใหม่ครับคุณเบนจาครับเวลานั่งภาวนาดูลมหายใจสักหน่อยจิตเผลอออกไปข้างนอกพอรู้สึกตัวก็กลับมาดูลมหายใจต่อสักหน่อยก็ออกไปอีกปฏิบัติอย่างไรครับต้องพยายามฝึกสติให้มากกว่านี้ก่อนที่จะมานั่ง ให้มีสติอยู่กับการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้หรือให้มีสติอยู่กับคำปฏิกรรมพุโทโธก็ได้แล้าพอเรามีสติมากขึ้นเวลานั่งจิตเราก็จะไม่ไม่เผลอไม่ไม่หายจากการดูลงชายบวชให้พ่อแม่พ่อแม่ได้บุญมากจริงไหมครับอยู่ที่ว่าพ่อแม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ใช่บวชเฉยๆแล้วพ่อแม่จะได้บุญจากการบวช เหตที่พ่อแม่ได้บุญจากการบวชเพราะว่าเวาบวชลูกก็ต้องลูกก็ต้องไปอยู่วัดพ่อแม่ห่วงลูกก็ต้องไปเยี่ยมลูกที่วัดไปวัดก็ต้องไปทําบุญมันถึงเยอะมันถึงจะได้บุญไม่ใช่ลูกบวชแล้วมาพ่อแม่จะได้บุญตามไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นการบวชของลูกมันเป็นเถตที่บังเกิดให้พ่อแม่ต้องไปเป็นไปวัดต้องไปทําบุญถ้าบวชแล้วไม่ไปมื ไม่ไม่บวญแล้วไม่ไปเยี่ยมลูกเลยปล่อยตัดหางปล่อยวัดเลยก็ไม่เลยบุญเป็นอุบายเพราะแม่ไม่ได้ทําบุญใช่ไหมครับใช่เป็นอุบายาก็เลยเกาะชายผ้าเหลืองเนี่ยอาศัยบุญอาศัยผ้าเหลืองของลวมทําให้พ่อแม่ได้ไปทําบุญปกติแล้วอาจจะไม่มีเวลาว่างหนระือไม่ยุ่งกับเรื่องราวต่า ง, างๆก็เลยไม่เคยคิดที่จะไปไหว้ไปทําบุญ พอลูกไปอยู่ว่าต้องต้องคิดแล้วเดี๋ยวอาที่นี่หน่อยเยี่ยมลูกท่าไหน่อยไม่ใส่บาตท่าไหน่อไม่ทำบุญท่านหน่อยคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับสมัยที่ผมบวชพระเคยมีเรื่องราวเห็นไม่ลงรอย ก, กันกับญาติโยมพอกลับเข้ามาในกุฏิเกิดความขับแค้นใจตบศีรษะตนเองโมโหตนเองถือว่าทำร้ายตนเองในขณะผมผ้าเหลืองบาปมากไหมครับไม่มากหรอกอยังไม่ถึงกับทําให้ร่างกายมันตายไปมัเจ็บไข้ได้ป่วย วันนี้มีเพื่อนเพื่อนฟังทำเยอะครับอาจารย์ขอโอกาสครับเพื่อนๆนฟังอยู่ในเฟซ949คนในยู721ในครับเฮาส์6ในติ๊ก o ็อ747คนครับมีเพื่อนเพื่อนฟังทำด้วยกันอยู่ 2,423 คนคับอาจารย์ครั บ, รรบวันนี้ก็ขึ้นมาสูงกับคราที่แล้วก็ดียินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังสนทนานถามตอบคำถามหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างใม่มากกนน้อยเพื่อที่จะได้นำออกไป ใช้ในชีวิตของเราเพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับการสนทนาการสนทาทัพขางเราคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจะมำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพืออ่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ยงขึ้นไปเถอสาธุก็ขอลาคุณหมอท่านผู้ชม ผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าองการหน้าเท้าหน้าไม่มีเหตุการณ์ข้าอันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยอ๋อจะเป็ น, น, นพรกับขอบพระคุณพราจารค่ะ